กราบคารวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบสการ์บงสมณะและพิสุทุกุรูปด้วยความเคารพครับเจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ชุมชนราชธานีอโศกและอยู่ที่บ้านทุกๆคนวันนี้รายการเรียนอิสระตามสำนึกก็บระพบท่านเช่นเคยตามเวลา18นาิกาถึง20นาิกาโดยประมาณ วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 2, สองสิงหาคม2556แรม11ค่ําเดือน8ปดปีมะเสงรายการดินอิสระอย่างนี้ก็จัดอยู่ที่บ้านรานเมืองเรือบ้านไม้เมืองหินบ้านดินเมืองน้ําบ้านงามเมืองพุทธบ้านพิสุทธิ์เมืองอมะตะนะรายการเรียนอิสระก็คือใครจะมาเรียนก็ได้ใครจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้นะตามอิสระนะสะท้อนให้เห็น ครับครับดดถูกต้องครับนะพูดผิดพูดไม่นะฉะนั้นสะท้อนภาพให้เห็นว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ให้อิสรเสรีภาพกับมนุษย์นะคือแม้แต่คนที่อยู่ในวงการศาสนาวงที่อยู่ในขอบเขตของพระตศีมาขอบเขตของศีลก็ยังไม่มีการบังคับ แม้แต่เป็นครูบาอาจารย์ผู้นําเองก็ไม่บังคับบุคคลที่อยู่ภายในการดูแลของท่านเองท่านก็ไปบังคับว่าจะมาฟังก็ได้ไม่ฟังก็ไม่ได้อ่าน น, นี่ย <c oughs> เรียนแบบ <c oughs> นะการผิดพลาด <c oughs> ต้องตั้งสติดีๆนะฉะนั้ น, นคือก็ไปคิดเอาเองว่าไม่ได้อะไรนะฉะนั้นน่ะนะแล้วเนื้อดีเติมมาให้สะท้อนภาพไปเห็นว่า คือเราอยู่ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาธรรมะว่าเป็นศาสนาที่ให้ความรู้สึกเราเอออิสระเสรีภาพดีนะและทําให้รู้สึกว่าเราเป็นตัวของเราอ่ะนะเราจะทําอะไรก็รู้จักตัวเราอิสระมีปัญญาใ ช, ช้ปัญญาในการชําระกิเล็กล ข, ของตัวเองคือสะท้อนภาพที่เห็นเราต้องคุณมีปัญญาจึงจะปฏิบัติตามได้นะถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สนใจก็จะสนใจเหมือนไม่ง้อ่แต่ก็ไม่ตีทิ้งอะไรเงี้ยนะมันเป็นภาวะซับซ้อนที่ ที่น่าสนใจและก็ลึกซึ้งนะสำหรับพ่อครูก็คงจะสนทนาธรรมกับแ7ดเจ็ดห้าได้ข่าวว่าจะเป็นวันสุดท้ายจริงบ่าไม่รู้น ะ, นะถ้ามีความเมตตาอีกเดี๋ยวก็ช่วยอีกอะไร น, น, นะเขาบอกอะไรนะมหาบุรุษทนไม่ได้ต่อความกรุณนาพนระโพธิสัตว์ก็ยอมทนไม่ได้ต่อความกรุณาคือถ้าเราสัตว์ตายตนโพก็ ทนไม่ได้ต่อโทสะอะไรเงี้ยนะทนไม่ได้ต่อปฏิฆะนะใครเข้ามาก็ดีฝังดีฝางอะไรเงี้ยนะถ้าเรายังมีกิเลสอยู่แต่ว่าลักษณะมหาบุุษสัตวตบุตรคือทนไม่ได้ต่อความกรุณาเห็นสรรพสัตว์ทุกในโลกนี้ย่อมมีใจที่ใจที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้เขาพ้นทุกข์ได้นะคือมรื่อยคนสัตว์นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใครได้พบได้เจอท่านก็ถือว่าเป็นบุญของชีวิตเพราะเราได้เจอคนมีบุญที่ทําให้เรามีบุญมากยิ่งขึ้น ก็ต้องขอกราบนิมนต์พ่อครูครับวันนี้ครับจะอธิบายกับแปดเจ็ดสุนยังไงก็กราบนิมนต์ครับทุกท่านอ๋ออ๋อก็ตั้งใจว่าจะบรรยายโดยเอาของคุณแปดเจ็ดศูนห้ามาอ่านอ่าอีกครั้งหนึ่งก็อ่านแล้วตอนแรกคิดว่าจะไม่อ่านแต่เสร็จแล้วไปคิดอีกทีก็อ่า มันก็น่าจะได้พูดกันก่อนที่จะหยุดจะชะงักอะไรกันบ้างคุณไปเจอศูนย์ห้าได้เอสเบมาเรียกว่าวันที่หนึ่งคือเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับมาเมื่อวานนี้มากันอย่างเรียกว่าเดี๋ยวค่อยฟังดูนะคือประเด็นที่เขาต่อว่าต่อขานมากก็คือเขาต่อว่าต่อขานว่าอัตมาเนีะ่ะ เล่นอ่านแล้วก็มาอ่านไปนาทีหนึ่งแล้วก็ไปโฆษณาสินค้าห้าจนห้านาทีแล้วก็อ่านของเข้าต่อนาทีหนึ่งแล้วก็โฆษณาสินค้าห้านาทีไอแบบนี้ของเข้ามันก็ใช้ไม่ได้สิเขาว่าไม่ต่อเนื่องเนี่ยแล้วตัวประเด็นใหญ่แม่ขึ้นใหญ่เลยตอนนี้นะอาวันนี้ตั้งใจว่าจะอ่านของเขารวดแต่ว่าก่อนจะอ่านรวดก็จะเอาข้อความของเขาก่อนต้นๆเนี่ยอันนี้ก็ไปข้อความข้อความก็ตอบข้อความก็ไปก่อน แล้วค่อยอ่านรวดของเขาอีกเลยหน้าครึ่งไม่มากไปแล้วคราวนี้หน้าครึ่งนะแล้วะตามาก็าจะอยู่ในดุ่นพินิจว่าตามาจะตอบอย่างไรหรือไม่เชื่อตามาก็บรรยายอยู่แล้วเมื่อวานนี้ก็มีที่บรรยายก็จะได้บรรยายต่อในเนื้อหาสาระสําหรับการที่จะสักัฉากันตอบไปโต้มาเพื่อที่จะให้ขัดขาว ตัว อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตอบว่าใครมาว่าเราว่าเราเป็นเช่นนั้นถ้าเราเป็นเช่นนั้นเราก็รับว่าเป็นเช่นนั้นเขาจะติเตียนเราถ้าติเตียนผิดเราก็แก้ไขว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าติเตียนเช่นนั้นเช่นนี้ไม่ถูกอ ะ, อะไรที่มันถูกเราก็รกับว่าถูกเขาจะชมเราก็อย่าไปเลืงถ้ามันถูกก็ถูกถ้าไม่ถูกเราก็บอกว่าไม่ถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้น ธนตรัสรายพรมประชาสูตรชัดเจ น, นอาตมาก็ปฏิบัติตามนั้น เ, เริ่มต้นของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าข้อแรกเนี่ยคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าบอกว่าถ้าคนนอนหลับนถ้าคนนอนหลับมโนวิญญาณดับด้วยแล้วก็นถ้าคนนอนหลับมโนวิญญาณดับด้วยแล้วก็แล้วคนคนนั้นจะฝันได้ยังไงกันจ๊ะ อโรแมนติกซะไม่ม <c oughs> อีอ่ะแล้วคนคนนั้นจะฝันได้ยังไงกันจ๊ ะ, ะก็ตอบก่อนมาไปข้อความข้ความไปก็ตอบเป็นข้อความข้ความ อ, อันนี้ก็หมายความว่าถ้าคนนอนหลับเนี่ยมโนวิญญาณดับนี่มันดับไปด้วยนี่แล้วคนมันจะเอาอะไรไปฝันเพราะมัน ม, นมโนวิญญาณดับมันก็เรืดับปื้อไปเลยอันนี้ก็ขอตอบว่า มโน out, มโ ia, คือไม่ดับก็มีมโนวิญญาณไม่ดับนอนหลับนะมโนวิญญาณไม่ดับก็มีนะเพราะงั้นทาไมดับนั่นแหละจึงฝันฝันอยู่่าเพราะว่ามโนวิญญาณก็ไม่ดับทีนี้ส่วนผู้ที่มโนวิญญาณดับในนอนหลับแล้วมโนวิญญาณดับนนัก็มีน้อยด้วยส่วนน้อยนะมโนวิญญาณดับนนน้อย อ่าอตมาพูดถึงเรื่องมโนวิ ญ, ญาณดับให้ฟังแทนที่จะดีใจว่าเราเข้าข้างเขาเขานอนพวกสายหลับตาเนี่ยเขาจะดับไปหมดจะยิ่งเข้าไปอยู่ในฌานในอะไรอยู่ในพวังแรงเขาจะดับไปเลยนะเขาจะชอบอย่างนั้นอกลับมาทวงอาตมาว่าอ้าวแล้วน่าจะฝันยังไงอ้าวไม่เป็นไรถ้าคุณดับไม่ได้คุณก็ฝันถ้าดับได้ก็ไม่ฝันอถ้าดับมโนวิ ญ, ญาณถ้าตอนนั้นก็ไม่ฝัน นี่สายนะนั่งหลับตาเขาก็จะหัดดับแบบนี้เข้าไปสู่พรวังแล้วเมื่อเก่งชํานาญแล้วนอนหลับเขาก็ไม่ฝันนอนหลับมโนวิญญาเขาก็ดับแต่นี่คุณแปดเจดศูนย์ห้านี่สายสายหลับตาด้วยนะสายที่เย็นนิยมชบหรือว่าชอบสินหลับตาแต่ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะทําไมถึงพูดไม่รู้เรื่องเรื่องมโนวิญญาหันดับหรือไม่ดับแค่นี้นะคือมันไม่ได้ดับจริงนะ มโนวิญญาณไม่ได้ดับจึงเดี๋ยวค่อยฟังที่อาตามอาอธิบายเรื่องวิญญาณเอมโนวิญญาณนี่อย่างละเอียดเลยฟังไปเรื่อยจะต้ํานับหน้าทีนี้อันที่สองคุณปดเจ็ดศูนย์ห้าบอกว่าพุทธเจ้าบอกให้คนไปปฏิบัติเองเพราะงั้นให้คนไปปฏิบัติเองจึงจะพ้นทุกข์ถึงจะพ้นทุกข์แต่โพธิรักษ์กลับบอกให้คนฟังตนฝย ถึงจะพ้นทุกข์อย่างนั้น่าแต่โพธิลักษณ์กระบอกให้คนมาฟังตนฝอยถึงจะพ้นทุกข์เมื่อกี้นี้แต่ฟ้าไทยก็พูดนะว่าผมพูดไปผมจะบรรยายไปใครอยากฟังก็ฟังใครไม่อยากฟังก็ไม่ฟังใครอยากฟังก็ไม่ได้ใครฟังก็ได้เมื่อกี้ก็พูดไปหยกๆนะว่าอาตมาไม่ได้บังคับใครแต่โพธิรักษ์กระบอกให้คนมาฟังตนฝอยถึงจะพ้นทุกข์ ในี่ใส่ความกันหรือเปล่านอาตมานี่ยกอ้างท่านฟ้าไทยก็พูดผ่านไปยกๆเมื่อกี้เนี่ยอาตมาก็บอกว่าอาตมานี่นะมีสิทธิ์พูดไม่ต้องการไม่แค่ไม่ต้องการหรอกต่กว่าไม่ต้องการไม่ได้มันผิดอ่าไม่ได้เตกณาให้คนมานับถือให้คนมาเป็นบริวารอ่านบรรยายมาพูดมาอะไรไปเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้น เอามาเผยแพร่เนี่ยไม่ต้องการลาภยอดสรรเสริญอะไรนะไม่ต้องการที่จะเอามาล้มล้างลทัทธินั้นลทัทธินี้ไม่ต้องการที่จะให้ใครเข้าใจว่าเราเองนี่แหมแข่งพิเศษเลิศเลออย่างนี้อย่างนี้ก็เอามายืนยันพระอุปจะ ก, ก็พูดซ้ำแล้วซ้ำเลา่าแต่คุณคนนี้ก็บอกว่าอาตมาเนี่ยเอามาพูดเพื่อมาจะเรียกคนนี้มาฟังมาฟังมาฟั ง, ฟงเอาฝ่ยเราก็จะได้บรรลุที่จริงนะฟังทำบรรลุทำได้พระอุปจา ก, ก็ยืนยัน และพวกเราก็ได้ดีเพราะได้ฟังทำกันนี่แหละผู้ที่ยินดีฟังอแม้ใครจะเอาใครจะมาฟังไม่ฟังใครจะเอาไม่เอาก็พูดไปแล้วยืนยันไปแล้วนี่ยังดีนะไม่ได้นัดแนกกันเลยท่านพูดไปก่อนครับผมก็ไม่ได้อ่านอ น, นี้นครับต่อมาอีกอันหนึ่งอุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าบอกว่ากระจกสะท้อนภาพอื่นๆได้ แต่สะท้อนกระจกเองไม่ได้ชั้นใดกนะระจกสะท้อนภาพอื่นๆได้แต่สะท้อนกระจกเองไม่ได้ชั้นใดวิญญาณฟังดีๆนะวิญญาณก็เห็นในเนื้ปัสติรูปอื่นๆได้วิญญาณนี่นะมันเห็นรูปอื่นๆได้แต่เห็นวิญญาณมันเองไม่ได้ชั้นนั้นนี่คือ ชิดทิหรือความเข้าใจความเห็นแม้แต่ที่สุดเรื่องมาภูมิปัญญาก็ตามของคุณแปดเจ็ศูนย์ห้าวิญญาณเห็นวิญญาณไม่ได้นะจึงมีแต่ปัญญาเท่านั้นเล่นภาษาว่าวิญญาณกับปัญญาจึงมีวิญญาณที่วิญญาณไม่ได้จึงมีแต่ปัญญาเท่านั้นถึงจักถึงจะรู้จักถึงจักรู้จักเจ้าวิญญาณได้วิญญาณไปรู้วิญญาณไม่ได้ ต้องด้วยปัญญาจะมีแต่ปัญญาเท่านั้นไปถึงจะไปรู้จักเจ้าวิญญาณนี้ได้เพราะถ้าวิญญาณสามารถจะเห็นได้ด้วยวิญญาณเองแล้วนะสามารถจะเห็นคือปัจจติบงเร็บมาด้วยว่าปัจติถ้าวิญญาณสามารถจะเห็นได้ด้วยวิญญาณเองแล้วถ้างั้นพุทธเจ้าก็คงไปโปรดอรุปพรมได้แล้วสิมองงั้นเลยนะ ถ้าวิญญาณเนี่ยวิญญาณเองเนี่ยมันเห็นวิญญาณได้พุทธเจ้าก็คงไปไปโปรดอรูปประพรมได้แล้วสิแต่ทำไมพุทธเจ้าถึงไม่สามารถไปโปรดอาลาณดาบทที่ตายไปแล้วเกิดเป็นอกิจจันธ์รมที่เหลือแต่มโนวิญญาณได้ล่ะทาไมไปโปรดไม่ได้นะทำไมไปโปรดไม่ได้ ไ, ไ, ปปด ไ, ไ, ดไหนพวกคุณทูลหัวโพธิรักตอบหน่อยสิอว่างั้น โอ้โหที่พูดมาแล้วนี่แหละคุณพูดเองเลยว่าวิญญาณก็เห็นรูปอื่นๆได้วิญญาณก็เห็นรูปอื่นๆได้นะวิญญาณไปเห็นรูปอื่นได้แต่วิญญาณมันเองไม่ได้นะวิญญาณมันเห็นมันมันตัวมันเองวิญญาณเห็นวิญญาณเนี่ยแต่เห็นวิญญาณมันเองไม่ได้ชั้นนั้นเะมือกระจกนะสะท้อนภาพให้ผู้อื่นได้แต่สะท้อนภาพกระจกเองไม่ได้ คือชอบยกตัวอย่างเอารูปประทเอาไอ้โลกโลกนี่มามาพูดถึงจิตวิญญาณซึ่งมันมีสมรรถนะความสามารถเกินกว่าไอ้เรื่องวัตถุนี่เจ้าวิญญาณเนี่ยเขาก็มาเทียบเรื่อยอ่จึงมีแต่ปัญญาเท่านั้นนะถึงจะรู้จักเจ้าวิญญาณได้เพราะว่าถ้าวิญญาณสามารถเห็นได้ด้วยวิญญาณเองแล้วทั้งนั้นพระเจ้าก็คงไปโปรดรูปพระมได้แล้วสิแต่สมัยพระเจ้าถึงไม่สามารถไปโปรดอาลามดาบทที่ตายไปแล้ว เกิดไปเป็นอากิญจัญญพรมอากิญจัญญาเตนาพรมที่เหลือแต่มโนวิญญาณได้ละ่ะเออในปกคุณทูลหัวโพธิรัตตอบหน่อยสิอัตมาอา่านข้อความนี้แล้วก็ชัดเจนอย่างยิ่งเลยชัดเจนว่าคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยยังไม่มีความรู้เรื่องของเรื่องของนามเรื่องของรูปเรื่องของนามจริงๆเลยไม่มีความรู้เรื่องรูปเรื่องนามจริงๆเลยอ่า คนไปเจ็ดศูนย์ห้านี่ที่บอกว่าวิญญาณนะเห็นวิญญาณเองไม่ได้เห็นของตอนเองอนะเห็นของตอนเองที่ไม่ได้ไปเห็นของคนอื่นนะวิญญาณจะไปเห็นของอารันดาบทน่นไม่ไม่ได้สอนเลยพระเจ้า ก, ก็ไม่สอนเลยถ้าจะเห็นวิญญาณก็ต้องเห็นวิญญาณของตอนเองนะอันนี้เป็นประเด็นนี่ก็เพียงแล้วนะ เพียนแล้วจะยปผ่ามันไปเห็นวิญญาณคนอื่นก็เพียนแล้วทีนี้แม้แต่ในเรื่องรูปนามที่ควรจะเห็นของตนเองนี่แหละนามฟังดีนะนามคือเวทนาท่านตัดไว้ในพระธิรมดลเล่มนี่แหละข้อเท่าไรสิบสี่หรือเปล่านามคือเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิ ก, การคุณแปดเจ็ดศูนห้าก็บอกว่าไม่เห็นว่ามีคาวิญญาณเลยมาเขาก่อนนี้ยังจได้ เนี่ยไล่มาแล้วห้าตัวไม่เห็นมีมีมีเอคําว่าวิญญาณเลยแล้วคําว่าวิญญาณมันไม่เป็นนามหรือไงเลยจ้าคำว่าน้ําอ่ะคุณไม่เข้าใจแม้แต่คําว่าวิญญาณคําว่านามมาทำวิญญาณก็ดีมันเป็นภาษาคุณไม่เข้าใจภาษาเปคําว่าวิญญาณเป็นคําใหญ่เป็นคำรวม เวทนาสัญญาสังขาร น, นี่เป็นเจตสิกสามซึ่งก็คือวิญญาณตัวแท้เวทนาเป็นยังไงวิญญาณเป็นสัญญาเป็นยังไงวิญญาณเป็นสังขารเป็นยังไงวิญญาณเป็นผู้ศึกษาแล้วเข้าใจตลอดทะลุปรุโปร่งทั้งนั้นแล้วม่ต้องพูดคำว่าวิญญาณก็ลบไปในฐานที่เข้าใจได้เลย แต่คุณปดเจ็ดูนานี่ติดอยู่แค่พยัญชนะติดอยู่แค่ภาษาแถมความรู้ก็สั้นแคบอีกสั้นแคบความรู้ของคุณแปดเจ็ดูนาเนี่ยสั้นแคบอีกด้วยนะติดอยู่แค่พยัญชนะและแถมความรู้สั้นแคบไปแปลคําว่าสั้นแคบแปล ว, ว่าอะไรนะแล้วคุณ อันนี้พูดต่อไปว่าทีนี้ต่ออีกอันนึงต่อว่าธรรมชาติ่ธรรมชาติของรูปยี่สิบแปดธรรมชาติของรูปยี่บแปดที่เป็นปกติอยู่แล้ววางเงินเลยนะธรรมชาติของรูปยี่สิบแปดที่เป็นปกติอยู่แล้วเช่นปุริสภาวะรูปกับอิทธิภาวะรูป ซึ่งทั้งสองนี้ก็เป็นลักษณะาทางกายภาพของรูปอันนี้เป็นทางกายภาพของรูปอัตมามั่นใจว่าคุณแปดแศูนห้าไม่รู้จักคำว่ากายและเรียกว่ากายภาพเนี่ยโดยที่คุณแปดแศูนย์ห้าไม่รู้สภาวะจริงว่ากายภาพคืออะไรเพราะกายรูปกายก็ดีนามกายก็ดี หมายถึงกายภาพทั้งสิ้นทั้งรูปร่างนาม้งรากายแต่นี่คุณ8ป0เจ็ดศูนย์ห้าบอา ว, าว่าภาวะรูปยี่นี่ถ้าเผิ่อว่าภาวะรูปสองนี่นะคืออิทธิภาวะกับปุริสภาวะเนี่ยมันเป็นลักษณะของกายภาพของรูปวงเล็บด้วยว่าที่เกี่ยวกับฮอร์โมนไอโนนตั้งๆ ท, ท, ที่พูดนี่นะมันเป็นนา ม, มาธรรมปรมัตตธรรมนี่เป็นจิตเจตสิรูปนิพาน เป็นนามมาทาสับสนแหละเอาไปเป็นฮอร์โมนไปเป็นเรื่องของรูปรูปธรรมแต่แท้ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับ น, นามไปฮอร์โมนนป็นไปเรื่องเพศในทางบุกราธิฐานเป็นเรื่องเพศของผู้ชายผู้หญิงบุรลาธิฐานจริงเราใช้ศัพท์บอกว่าอิติภาวะคือเพศหญิงอุริสภาวะคือเพศชายเราใช้จริงเราใช้แต่ว่าทางธรรมมาธิฐานนั้น ธรรมะหมายถึงอะไรไม่ได้หมายถึงตัวคนบุคคลตัวตนเราเขาเพศหญิงเพศชายที่เป็นตัวตนคนที่มีฮอร์โมนไม่เกี่ยวฮอร์โมนเลยเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่เป็นกามไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนอ่าอ่ามันไม่ไม่เกี่ยวกันมันเป็นเรื่องของรูปอันนั้นมันเป็นเรื่องของวัตถุธรรม น, นี่บอกว่าอิทธิภาวะทั้นดารุส ปริปุริสภาวะรูปกับเสวะทั้งสองนี้เป็นลักษณะทางกายภาพของรูปในรื่องที่เกี่ยวกับโฮอร์โมนที่แม้ภิกษุนีแม้ภิกษุนีอรหันต์ก็ยังต้องมีอิทธิภาวะรูปนี้อยู่เหมือนเดิมไปบอกว่าผู้หญิงที่เป็นพิกษุนีที่เป็นผู้หญิงก็ต้องมีอิทธิภาวะอยู่ตามเดิมเวรางั้นเละเป็นธรรมชาติแต่โพธิรักชอบมั่วไปหาผู้ปฏิบัติ ไปหาว่าไปหาว่าผู้ปฏิบัติจะต้องเปลี่ยนอิทธิภาวะรูปให้เป็นปุริสภาวะรูปก่อนถึงจะปฏิบัติทำสําเร็จผลเป็นอรหันต์ได้ถูกต้องอัตมายืนยันว่าคุณตูอัตมาในอัตมา ถ, ถูกต้องอยู่แต่คุณผิดคุณนั่นแหละเปลี่ยนอิทธิภาวะไม่ได้คุณไม่สามารถที่จะเข้าใจการปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง มีลักษณะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นวิการรูวิการรูที่ไปแปลกันดื้อตื้นตื้นพิกลพิการมันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่มันไม่เป็นอย่างเก่ามันเปลี่ยนไปดัดแปลงปรับปรุงไปให้มันไปแต่มันเป็นไปยอย่างอย่างวิเศษเป็นไปอย่างสูงาจากหยาบจนกระทั่งไปเรือยลักษณะเมาบาง มีอาการเบาเป็นลหุตาเป็นมุทุตาเป็นกรรมัญญาตานี้เป็นต้นซึ่งท่านตรัสไว้ในรูปยิบแปดเนี่ยผู้บรรยายจะบรรยายเอาตัวจบไปเสมอไม่ได้บอกตัวตนของรู ป, 24, ปาายิบสี่อุปาตาอุปาตาเยรูไม่ได้บอกรูปตัวตัวหยาบแต่บอกรูปตัวปลายอย่างวิการรูปนี้สุดท้ายจะเป็นลหุตาบ้างเป็นความเบาจะต้องรู้จากรูปอันนี้ มุทิตมุทุตาจะต้องรู้สภาวะของมุทุตา น, นี้กรรมยตาก็ดีหรือวิญญัติรูปอีกสองกายจะวิญญาตรหรือว่าปีวิญญาตอีกก็ตามก็จะเป็นช่งละเอียดทั้งนั้นละเอียดทั้งนั้นแหละตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ภาษาทรูปโขเจรรูปนั่นก็ของเป็นหลักต่างหูจมุลิ้นกายน้าหรือรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะพอเป็นภาวะรูปสอง เป็นอิทธิภาวะกับปุริสภาวะเนี่ยก็จากยาบตั้งแต่อิทธิภาวะลีลายาบซึ่งเป็นภาเป็นสภาวะเดี๋ยวอาจารจะอธิบายหมดน่าจะมีคําอธิบายเรียบเรียงไว้หมดแล้วจะได้ค่อยๆ อ, ย อ, ยอธิบายไปเป็นลําดับะอิทธิภาวะนั้นนาจจะเปลี่ยนมาเป็นปุริสภาวะเปลี่ยนเปลี่ยนมาเลยมาอาการของรูปรูปพวกนี้จะเปลี่ยนมาเป็นวิการ อาการรูปจะเปลี่ยนเป็นมิติการรูปมาเปลี่ยนได้เปลี่ยนมาสูจ่จุดจบอุปสภาคว่เป็นภาวะที่จบนเป็นสภาวะที่ที่ที่สุดที่เลิศเดนะี๋ยวค่อยอธิบายนะาผ่านอันนี้ไปก่อนนะเพราะงั้นยิ่งจะเห็นชัดเลยว่า <c oughs> คุณนี่บอกต่อไปว่านอกจากจะเป็นอิทธิพาเหมือนเดิมแล้วชอบมั่วไปว่าปฏิบัติแล้วต้องเป็นอิทธิพาเป็นรูปให้ได้สักครัเป็นปริศภาวะครั้งจริงจะปฏิบัติทำสําเร็จผลเป็นอรหันต์ได้แต่โพธิรักลืมไปแล้วหรือว่าอารหันต์ทั้งหลายย่อมเป็นอุดมเพศแม่เอาศัพท์แเท่มาใช้เลยนะโพธิรักลืมไปแล้วหรือว่าไม่ลืม ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมนลยน ะ, ะไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมอารหันทั้งหลายย่อมเป็นอุดมเพศที่พ้นไปจากความเป็นเพศคู่แล้วโ อ, โอเคไหมเนี่ยไม่ตงใโอเคไม่เลยน ะ, ะตัวหนังสือทางบ้านก็ได้เห็นด้วยนะอาตมาว่ายังไม่โอเคกับคุณเท่าไหร่แต่จะโอเควันนี้จะโอเคเดี๋ยวตอน้ายว่าโอเคอะไรก็จะโอเค เพราะยิ่งอ่านแล้วเห็นอย่างนี้แล้วยิ่งชัดเจนเลย ว, ว่าคุณแปดเ็ดศูนย์ห้านี่แยกธรรมะนะที่เป็นธรรมอาทิฐานกับปุคราาทิฐานไม่ออกคือไม่รู้แม้ความเป็นธรรมะในความเป็นเพศลิงคะนี่เป็นเพศอได้แก่ความแตกต่างกันเพศนี่ปแปลว่าความแตกต่างกันหรือลิงคะในปแปลว่าความแตกต่างกันแค่นี้ก็ยังไม่รู้แค่นี้ก็ไม่เข้าใจ ทีนี้อุดมเพศน่ะคือเป็นเพศอะไรอุดมเพศตุ๊ใช้คำนี้น่ะถูกแล้วน่ะเป็นปุริสน่ะเป็นปุริสสภาวะที่สมบูรณ์เป็นบุรุษแท้ๆเลยอุดมเพศเนี่ยเพราะฉะนั้นยังแม้จะเป็นภิกษุณีก็มีลักษณะจิตวิญญาณเป็นอุดมเพศเป็นเพศที่สูงสุดยอดสุดแล้ว อุดมสุดเลิศยอดแล้วจิตวิญญาณเป็นแล้ยอดเลิศแล้วไม่ได้เอาที่ร่างกายไม่ได้เอาที่ลีลาวาสนาของความเป็นร่างกายผู้หญิงที่มีอณุตมีมีลีลามีลักษณะก็จะต้องอย่างผู้หญิงซึ่งมันเป็นรูปธรรมมันไม่ได้เกี่ยวกับ น, นามธรรมานามธรรมาในบมดูคือแยกรูปแยกนามไม่ออกนะ ยิ่งชัดเจนเลยว่าคุณนี่ไม่ไมู่ปแบบยาไม่ออกอ่ะอัลละนี่เป็นอ่เป็นข้อความข้อความของคุณแปดจะศูนย์ห้ามีหนึ่งสองสามสี่ข้อความข้างบนต่อจากนี้ไปจะเป็นอีกหน้าครึ่งอาจมาจะอ่านไปเลยอ่าแล้วก็จะมีอีกแถมทายอีกอ่าอีกข้อความหนึ่งยาวหน่อยแต่ไม่ไม่ยาวเท่าไหร่หรอก อนิดหน่อยอันนี้มันประมาณหน้ามันไม่ถึงครึ่งดีหรอกกระราษนี้เอ้อตอนนี้ไ ม, ไม่ไม่ถึงครึ่งดีนะอันนี้ยาวเกือบหน้ากระดาษกว่าเกือบเกือบครึ่งไม่ถึงครึ่งดีอาจมาจะอ่านไปนเลยไม่แทรกอะไรเลยลองดูซิเดี๋ยวจะโรนว่าอีกนะเพราะในนี้ว่ามาในนี้พร้อมนะลองฟังดูอะที่เล่านะที่เล่าที่เรานะ <c oughs> ที่เราเล่าประสบการณา์ที่เราเล่าประสบการณ์วิคัมพนาวิมุตต์ที่เราเล่าประสบการณ์วิคัมพนาวิมุตต์และตัตถังควิมุตต์ในเวลส์สมัยที่ยังเป็นปุตุชนให้โพธิรักษ์ฟังนั้นไม่ได้หมายความว่าจุดหมายของการปฏิบัติธรรมคือวิคัมพนาวิมุตต์หรือตัตถังคมวิมุตต์ก็หาไม่ แต่เพราะโพธิรักฟังไม่ได้สับฟังไม่สับมันไม่ได้ฟังไม่สับจับไปกระเดียดจึงฟังไม่ออกว่านั่นเป็นเพราะว่าเรากำลังจะอธิบายเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของวิญญาณโดยเฉพาะมโนวิญญาณตหากเล่าซึ่งแค่ขนาดแค่อธิบายลักษณะของวิญญาณให้ฟัง โพธิลักษ์ก็ยังฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วถ้าเราสามารถจะอธิบายโลกุตตรธรรมของจริงองค์เนีเปิดที่เป็นปัจจตังองค์เนี่ปิดให้โพธิลักษ์ฟังได้รู้เรื่องแล้วแล้วก็สงสัยว่าต่อไปนี้ใครๆก็สามารถจะสอนสุนัขให้กินทุเรียนเป็นได้เหมือนกัน ซึ่งแม้ที่เราจะได้พูดถึงเรื่องปฏิหารอันเกิดจากมโนวิญญาณหรือสัมผัสที่หไว้มากก็จริงแต่เราก็ได้สรุปรวมมาลงที่หลักของการปฏิบัติวิปัสสนาไว้แล้วไมิใช่หรือว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้แจ้งธรรมรม์บวกปฏิหารก็สักแต่ว่ารู้แจ้งธรรมรมบวกปฏิหาร ฉะนั้นโพ ธ, ธิรักษ์จึงควรโยนิสโสมนสิการคือหัดฟังให้เป็นมั่งหรือทำจิตในเหมือนกับภาชนะที่ร้องน้ำฝนมิฉะนั้นแล้วถึงแม้โพ ธ, ธิรักษ์จะท่องพระไตรปิฎกจนจบได้ก็หาได้รู้ถึงสาระที่แท้จริงแห่งธรรมะเลยไม่ซึ่งที่แรกก็นึกว่ามีสัญญาที่ดีแล้วเพราะโพ ธ, ธิรักษ์บอกเองว่า จะอ่านไปทีเดียวให้จบก่อนโดยจะยังไม่แทรกวิจาร์เลยแต่ที่ไหนได้พึ่งจะพูดไปเองอยู่หลัดหลัดแท้ๆโพธิรักก็ขาดสติลืมที่ตนเองพูดไว้เสียสิน้นเพราะพอเริ่มอ่านไปวักหนึ่งคาวิจาร์ก็พังพรูออกมาเลยเหมือนว่าพยายามจะเถียงเอาชนะทุกวักทุกตอนให้ได้ซึ่งธรรมะนั้นนะ่ะ ต้องอ่านปฏิปต่ปต อ, อกันไปถึงจะฟังรู้เรื่องได้ให้อ่อโ อ, อ้ขออภัยแต่ถ้าอ่านต่อไปมัน <S 2> <S 2> <S 2> มันไม่ได้แกลง้งไม่ปฏิปะตปะตอ่อพมาอายคั้นนะ <S <S <S อขออภัยจริงๆมันอ า, อายจริงๆนะไม่ได้แกลง้งนะอเอาทวนทวนใหม่งั้นมันแหมมาไอายขั้นสนิทเสีย โอ้โหมันยิ่งไปขั้นเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจนะเพราะเขาอธิบายดีอยู่แล้วมันอธิบายได้อย่างเนี่มอยู่แล้วเนี่ยใครตั้งใจฟังนี่จะบรรลุเลยเอาเอาไมเอาไมอแต่ที่ไหนได้เพิ่งจะพูดไปอยู่หลาดหลาดแท้ๆพูดไปเองหลา่าแต่โพธิรก็ขาดสติลืมตนเองพูดไว้ซิสิ้นเพราะพอเริ่มอ่านไปวักนึงคาวิจารณ์ก็พังพรูออกมาเลย เหมือนว่าพยายามจะเถียงเอาชนะทุกวักทุกตอนใ้ได้ซึ่งทำมานั้นต้องอ่านปฏิปต่อกันไปถึงจะฟังรู้เรื่องได้แต่ถ้าอ่านไปวักหนึงก็หยุดเพื่อหาข้อจับผิดอยู่เช่นนี้แล้วคนอื่นๆที่กําลังฟังทั้งหลายจะไปเข้าใจความหมายในเนื้อเรื่องที่ต้องการสื่อได้อย่างไรกันเพราะแม้ควายที่ว่างโง่แล้วมันก็ยังรู้จักเกี้ยวเอื้องโดยไม่หยุดเลย หรือว่าโพธิรักษ์จะอินเดียดยิ่งกว่าควายหรือกมมังแต่คิดว่าเป็นเพราะโพธิรักษ์คงกลัวไปเองว่าหากคืนว่าตนไม่วิจาร์เพื่อชี้ข้อผิดเสียก่อนแล้วประเดี๋ยวคนฟังทั้งหลายวงเนี้เปิดโดยเฉพาะพวกที่เป็นศิ์บริวาสว ง, งนี้ปิดะจะหันไปเชื่อแปดเจ็ดูนย์ห้ากันจนหมดแล้วก็จะแข็งข้อคือเริ่มไม่เชื่อไต้กลง โพ ธ, ธิรักอีกต่อไปฉะนั้นโพ ธ, ธิรักจึงจําต้องคงรักษานโยบายเดิมไว้คือใช้หนังหนึ่งนาทีแล้วก็สลับโดยโฆษณาชวนเชื่อเมื่อได้เปิดอ่าเล่ากงกงโพ ธ, ธิรักษ์เล่ากงกงโพ ธ, ธิรักษ์เมื้ปิดขั้นเซีห้านาทีอย่างนี้เรื่อยไปซึ่งแม้ว่าตั้งแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันโพ ธ, ธิรักพยายามที่จะนําเสนอตัวเองเป็นโปรด ปรตโตโคสัที่ดีเพื่อหวังให้เป็นแบบอย่างแก่คนส่วนใหญ่ที่อยู่นอกประสงค์ทั้งหลายที่ไม่ค่อยเก็ตกับโพธิรักเท่าไหรนักเผื่อว่าจะได้หันมาฟังโพธิรักกันบ้างฉะนั้นจึงย่อมเข้าใจกันได้ไม่ยากว่าทำไมโพธิรักถึงยอมเปิดใจกว้างอ่านเอเสเวธรรมะของเราแต่ก็ดูเหมือนว่าใจจะกว้างยังไม่จริง เพราะเวลาที่อ่านก็ต้องคอยแทรกวิจารณ์อยู่ตลอดไมย่ยอมเปิดโอกาสให้ผู้ฟังที่เป็นศิษย์ได้ฟังอย่างอิสระต่อเนื่องเพื่อจะได้หัดใช้วิจารยญาณที่เป็นของตัวลูกศิษย์เองบ้างเลยทั้งนี้ก็เป็นเพราะโพธิรักษ์มีนิสัยขี้หวงคือยังหวงแหนบริวารของตนว่าจะพากันไปเชื่อคนอื่นหมดนอลับเช่นแปด็ดนห้านั่นเองซึ่งทักษิณเป็นบ้า เพราะกอดความร่ำรวยของตนไว้แน่นชันใดโพธิักก็เป็นบ้าเพราะกอดทิฏฐิของตนไว้แน่นชั้นนั้นฉะนั้นทักษิณจึงทนไม่ได้หากจะโดนยึดทรัพย์แม้แต่เพียงบาทเดียวชั้นใดโพธิั ก, ก็ทนไม่ได้หากทิฏฐิของตนจะโดนขัดแยง้งแม้ด้วยเอสเอ s เอสเอมอสชั้นนั้นดังนั้นธรรมดาแล้ว โพธิรักษ์จึงไม่น่าที่จะอ่านเอสเอเอสธรรมะของเรามองได้เปิดตั้งๆที่ขัดแย้งกับโพธิรักษ์มองได้ปิดได้จึงไม่น่าจะที่จะอ่านธรรมะของเร า, าที่ขัดแย้งกับโพธิรักษ์ได้แต่เพราะเราย่อมรู้ดีเพราะเราย่อมรู้ดีว่าทักษิณมีนิไสัยไม่ยอมแพ้ใครเพราะเชื่อในอํานาจของตนชั้นใดโพธิรักษ์ก้มนิสัยชอบเที่ยงเอาชนะคนอื่น เพราะเชื่อมั่นในองคล่มิิฉาทิฏฐิของตนเชื่อมั่นในทิฏฐิของตนองคเล่มมิชากรัมนาสนะมั่นเชื่อมั่นในมิฉาทิฏฐิองตนฉันนั้นและด้วยเหตุที่ชอบเถียงเอาชนะคนอื่นนีและโพธิรักษึงยอมถึงต้องยอมอ่านธรรมะของเราก็เพื่อจะจับผิดหวังเถียงเอาชนะนั่นเองแต่กลับอ้างกับลูกศิษย์ว่าเป็นการตีงูให้ก้ากิน ซึ่งแท้จริงแล้วไม่เคยมีสักครั้งเลยที่โพธิรักษ์จะยอมอ่านธรรมะของเราแต่โดยดีคืออ่านไปตั้งแต่ต้นจนจบไโดยไม่แทรกวิจารณ์ทุกวัตทุกตอนเลยนั้นโพธิรักษ์ย่อมไม่เคยแม้ครั้งล่าสุดที่บอกเองอยู่หลัดหลัดว่าจะอ่านไปทีเดียวจนจบโดยไม่แทรกเลยนั้นอรหันต์โพธิรักษ์ก็กระทําตามปากว่ายังไม่ได้หรือว่าสัจจะวาจาในอรหันต์โพธิรักษ์ ย่อมหาไม่ได้อีกแล้วแม้จะบนโพเดียมหน้าจอเอฟเอีวก็เถอะและรู้หรือไม่ว่าการที่จะอ่านธรรมะต้องรู้จักเคารพธรรมะนั้นด้วยคือต้องอ่านไปทีเดียวให้จบก่อนแล้วตึองควรจะวิจารณธรรมะนั้นได้แต่การที่โพธิรักอ่านไปวักหนึ่งก็ออกความเห็นวิจารณไปเลยนั้นจึงย่อมไม่ถูกต้อง เพราะบางทีต้องอ่านติดต่อกันลหลายๆวัดถึงจะได้ความหมายกันครั้งหนึ่งฉะนั้นการที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ฟังอย่างต่อเนื่องนั้นนั่นย่อมเท่ากับว่ากําลังมัดมือชกอยู่เพราะไม่โอกาสให้ฟังได้ใช้วิจารณ์ไม่โอกาสเพราะไม่โอกาสให้ฟังได้ใช้วิจารณญาณเป็นของตนเองบางเลย หรือว่าโพธิรัก์ชอบล่างสมองแบบคอมมนิสต์ที่คอยชี้นำตลอดแม้ในด้านความคิดของลูกสิทธิ์อย่างนั้นหรือจ้าเอวังเอวะทอท อ, ท อ, ท, อ, ท, อ, ท, อทอสมทานนี้คงจะพิมผิดเอวังก็เคยเอวัง อ, อนี้จบ อ, อันนี้นาพราคาเปยวยาวเนี่ยจบอันนี้ อัตมาก็ขออ่านอันท้ายอีกอันนึงที่เหลือต่อไปให้จบหมดเลยก็แล้วกั น, นปอลออันนี้ปอลอเนี่ยมีประจิมลิขิต ด, ด้วยขอให้ชาวพุทธทั้งหลายควรหัดใช้วิจรารณญาณของตนเองดูบ้างว่าพระดังๆทั้งหลายที่ยังแถมอวดด้วยว่าตนเองต่างก็เป็นอรหันต์กันทั้งนั้นเช่นนิกรยันดะพุทโธ ปู่เนนคำเป็นต้นย่อมล้วนปรารชิกกันทั้งสิน้นเพราะขาดจากความเป็นพระแล้วแต่สาหรับเสด็จปู่แล้วอวดยิ่งกว่าเพื่อ น, เ พ, อนเพราะเป็นแค่อรหรันนั้นยังน้อยไปเคยไปอ่านเจอในหนังสือแสงศูนย์เสด็จปู่บอกเลยว่าถึงแม้ตอนนี้ตนเองยังมิได้มีถึงแม้ตนเองตอนนี้ยังมิได้เป็นพุทธเจ้า แต่ยานความรู้ของตนก็เทียบเท่าระดับน้องๆพุทธเจ้าเลยทีเดียวที่เรียกว่าสยังอภิญญาไงฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าหากเสด็จปู่จะประราชิกแล้วย่อมจะไม่ประราชิกธรรมดาแน่ๆเพราะปราชิกธรรมดาย่อมหมายถึงแค่ทำวิปริลจากธรรมวินัยเ่นนิกรยันดะพุทโธเนนคำเป็นต้นส่วนเสด็จปู่ชอบทำ ชอบทธรรมาวินัยให้วิปริตนาไม่ใช่วิปริตไปจากทํามวินันะอันนี้ทาทําวินัยให้วิปริตคือมีเจตนาแปลงคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นคล้ายกับลัทธิการเมืองเอียงสายลัทธิหนึ่ ง, งเนปรวเทศสายรัเสเซียจึงน่าจะเข้าข่ายประดาชิกยกกำลังสองเลยทีเดียวโอเคไหมํนานวนนี้โอเคเนี่เนาะอ่า ก็เป็นความจริงนะว่านา่เป็นความจริงอ่านมาและอะไรมาเสร็จเรียบร้อยก็เป็นความจริงว่าผู้รู้แท้หรือว่าปราดจริงเนี่ยจะเห็นความผิดของคนผิดเป็นความถูกแล้วส่วนผู้ที่ยังไม่รู้หรือว่าปราดเกนเนี่ยจะเห็นความถูกของคนถูก เป็นความผิดอยู่ก็ชัดเจนยิ่งอาตมาก็เห็นถูกแล้วว่าความผิดของคนผิดก็ต้องเป็นเชนี้ก็ถูกแล้วก็ต้องเป็นเชนนี้ความผิดของคนผิดเพราะว่าผู้ยังไม่รู้หรือปลาดเกก็จะเห็นความถูกของคนถูกเป็นความผิดอยู่แน่แล้วนี่คือคำสรุปตอบจบ อ่าก็คิดว่าคงจะจบวักสําหรับคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเพราะว่าบนอยู่ที่เดิมน่แล้วก็ต่อว่าต่อขานไม่อ่านของเขาดีๆไม่ยกย่องเชิดชูของคําสอนของเขาคําอริบายของเขามันเป็นธรรมะชั้นดีชั้นสูงต้องเคารพ บ, บ้างอะไรว่าไปน่ะธรรมาก็เอาระก็เคารพทาไมเคารพเมื่อก็ไม่เอามาพูดอะไรก็ลอกถ้าตีทึ้งไปไหนไหนๆแล้วนะอ่า จอนี้ก็คือจอดอําำจอดำอํำจอดํำอ้าวทีนี้อัตมา ก, ก็จะบรรยายต่อเมื่อวานนี้นะเรื่องของคุณแปดเจ็ศูนย์ห้าก็อ่านไปตามที่คุณแปดเจ็ศูนย์ห้าต้องการอันสุดท้ายก็ยาอ่านไม่ได้แทรกเลยนะประกาศยาวสุดท้ายนั้นส่วนข้อความสั้นๆคนนั้นก็ตอบไปตามตามควรตามเรื่องของข้อความที่ว่ากันไป อาที่นี้ก็มาว่ากันถึงหมดต่อเมื่อวานนี้นะอาตมาได้อธิบายมาเมื่อวานนี้ถึงเรื่องของจิตวิญญาณ น, นี่แหละนะคนที่สมาธิจะไม่รู้จักสิจิตวิญญาณนะไม่รู้จักสุขก็ขังสุขไวไม่รู้จักความสุขโลกีามันเป็นเท็รอ่าที่ภาษาบาลีเขาเรียกว่าสุขะลิกะเนี่ยเพราะว่า ถูกน้นมันอลิกะอลิกะและปเทศก็ไม่รู้เรื่องก็เลยทนคนธรมรมดาผู้คนทนธรรมดาทุกคนทั้งสุขก็คือขังสัตว์ไว้นั่นแหละสร้างคุกให้ตัวเองขังสัตว์ที่หลงว่ามันเป็นเทพบระบุตเทพปธินดาแต่แท้ๆมันคือมารคือผีที่เรียกในศัพท์ทางธรรมว่าเทพระบุตตมานั่นเอง แต่แท้มันคือผีมารจริงๆไม่ใช่เทพพระบุป ร, ระแบตอะไรหรอกอทีนี้เทพพระบุตมานเนี่ยแปลว่าผีหลอกนไม่ใช่เทพตัวจริงเทพประบุตมานเนี่ยคือผีหลอกไม่ใช่เทพตัวจริงมันไม่มีรูปร่างนะไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างตัวตนไม่มีอัตตาไม่มีสรีระหลอกจึงรู้จักตัวมันยากมาก น่ะมันเป็นนามธรรมซึ่งจะต้องรู้เป็นนามมารูปต้องใช้ภาษาศัพท์ศัพท์ทางวิจารณ์ทะเลว่านามมารูปจะต้องรู้เป็นนามมารูปคือนามธรรมที่ถูกรู้นามมารูปนี่คือนามธรรมที่ถูกรู้ ไ, ได้ความรู้อันมีการสัมผัสของจรงิงนามมารูปนี่คือนามธรมรม นามธรรมาคือสิ่งที่ทรงไว้เป็นนามนั่นแนละและนามธรรมาที่ทรงไว้อย่างนั้นนะเมื่อเรามียานเข้าไปสัมผัสรู้ไอ้ที่สัมผัสรู้ขึ้นมานั่นว่านามมารูปเพราะมันนามธรรมานั้นถูกรู้ขึ้นมารูปคือสิ่งที่ถูกรู้นะก็จะถูกรู้ขึ้นมามีเหตุมีปัจจัยมีสิ่งที่จะ ต, ต้องถูกรู้ไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ใช่ว่าไปรู้แบบเนรมิตเอาหรือว่าแบบ ไม่มีอิทธปัจจ ย, ยตาไม่มีอิทธปัจ ย, ยการไม่ใช่แบบนั้นนะปั จ, จยการก็หมายความว่ า, วามีอย่างนี้สิ่งนี้มาก่อนนะก็มีสิ่งนี้จากสิ่งนี้ก็ไปเป็นสิ่ง น, งนี้นี่อยู่ดีกับพวกขึ้นมาเหมือนเนรมิตเหมือนอะไรล่ะเหมือนเหมือนนักเล่นกลนนะ่ะไม่กิเชียนนะ่ะแสดงเก่งพิเศษจะเก่งเป็นนักเนรมิตนักแสดงมหัศจกดิ์ โดยวิธีวิชาสซยาสตรวิชาอาคมคำพีรภาพลึกซึ้งเก่งยังไงก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องลึกลับจึงเรียกแมจิกมันลึกลึกลับนะแม้ว่ามันจะมีแค่นา ม, มาธรรมมีเฉพาะสภาวะของนา ม, มาธรรมนา ม, มาธรรมนั้นคือการทรงอยู่ของนามนั้น นามใดแล้วแต่มันยังตั้งอยู่มันยังทรงอยู่ยังมีอยู่นะเป็นนามธรรมเช่นนามธรรมชน่นิดหนึ่งเรียกว่าอกุศลจิตเป็นนามอกุศโ ร, รจิตมันตั้งอยู่ที่จิตอยู่ก็เรียกว่าอกุสโสรธรรมของผู้ที่มีที่มันตั้งอยู่เถ้ามันไม่มีมันก็ไม่ตั้งอยู่ก็ไม่มีธรรมะนี่อยู่ไม่มีอคุสโสรนามหรืออกุศโ ร, รจิตตัวนี้อยู่ในจิตผู้นี้ เรียกว่าธรรมะก็ไม่มีอากุศลจิตก็ไม่มีฟังดีๆใช้พยัญชนะด้วยใช้ภาษาและลักษณะธรรมะชัดๆคำต่างๆพวกนี้มันละเอียดแล้วจะนามากายนามารูปนามะทมอะไรต่างๆนะ้รมันมีนัยยะที่ละเอียดลึกซึ้งต้องฟังกันดีๆจะได้ไม่สับส น, นแม้ว่ามันจะมีแค่นามะธรรมนะ แค่นามบกกายมีนามบกกายนามบกกายคืออะไรคือองค์ประชุมของนามธรรมมาัน เ, เกิดตั้งขึ้นมาเมื่อมีองค์ประชุมมันเอาของเก่าก็ได้มันของใหม่ขึ้นมาก็มาประชุมก็ปุ๊บคือเป็นองค์ประชุมเรียกว่านามบกกายนะตอนนีนแ้แม้ว่าจะเป็นมีแค่นามธรรมาหรือนามบกกายก็ต้องรู้ในการสัมผัสเห็นจะเป็นนามธรรมาก็ต่างจะเป็น น, นามบกกายก็ต้องรู้ด้วยการ สัมผัสเห็นเห็นโดยไม่มีสัมผัสเห็นโดยเนรมิตปุ๊บขึ้นมาเกิดโผ่ขึ้นมาเลยไม่มีอิทัิปัจจยตาไม่มีปัจจยการไม่มีอิทัิปัจจยการอะไรเลยไม่มีอะไรสิ่งนี้มีก่อนแล้วก็คนนี้อันนี้ไม่ไม่มีโผล่เพลทำไมเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่สอนเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องฤาษีขันธารีฤาษีมาณิกาเป็นเรื่องของกลึกลับเป็นไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์นะ เพราะงั้นนามธรรมานี่มันไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีโฉมแต่มันเกิดจริงเป็นจริงมีจริงในตัวคนนะมันเป็นจริงมีจริงในตัวคนนะหน้ายี่สิบหกหน้ายีา่สิบหกแล้วไอ้ที่มันเกิดจริงเป็นจริงมีจริงในตัวคนนั้นก็สัมผัสรู้ ต้องสัมผัสรู้สัมผัสรู้ได้ด้วยวิปัสนาญาณจะสัมผัสรู้ได้ด้วยวิปัสนาญาณทีนี้รู้อย่างวิปัสนารู้ด้วยวิปัสนาญาณทีนี้ผู้รู้รู้ด้วยวิปัสนาเนี่รู้อย่างไรเป็นฉหนัยวิปัสนาเนี่ยรู้อย่างวิปัสนาเนี่ยเป็นชไหนคืออย่างไระ รู้อย่างวิรู้อย่างวิปัสนาเนี่เป็นฉไงคืออย่างไรการรู้นะการรู้ที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณหรือความรู้เนี่ยการรู้หรือความรู้วิปัสสนาญาณก็คือความรู้ที่เกิดจากกิริยาของปัจสติกิริยาของปัจสติอ่าแปลว่าเห็นหรือมองเห็นปัจสตินี่แปลว่าเห็นหรือมองเห็น การรู้ที่เรียกว่าวิปัสนาญาณก็คือความรู้ที่เกิดจากกิริยาของปัสสติแปลว่าเห็นหรือมองเห็นนั่นคือต้องเห็นหรือมองเห็นจึงจะเรียกว่าวิปัิจุจจะเรียกว่าปัจสนาไม่มีคาว่าวิเนี่ยปัสนาปัจสปัจสติปัจสานราชศั์ของมันตน้ตนๆก็คือปัจสานี่แหละจึงจะเรียกว่าปัจสนาคือ ต้องมีเหตุกับปัจจัยสัมผัสกันหรือสัมพันธ์ไม่สัมผัสก็สัมพันธ์กันอยู่สัมผัสนี่ก็กระทบแต่ต้องแต่สัมพันธ์นี่ก็อยู่ร่วมกันไปเลย <c oughs> เช่นมีตาสัมผัสรูปอยู่หลัดหลัดมีหูสัมผัสเสียงอยู่ต้องต้องหรือแม้ทวานอื่นก็ต้องมีสัมผัสอยู่ทนท่อทั้งนั้นเป็นปัจจยาการ คือมีเหตุและปัจจัยสัมผัสกันแลว้วก็เกิดผลต่อต่อกันไปเรื่อยๆเป็นปฏิกิริยาลูกโซต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรืออิทธปัจเจตาอิทธปัจเจตาคือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งเมื่อมีสิ่งนั้นแล้วจึงมีสิ่งนี้ต่อกันไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเป็นปฏิกิริยาลูกโซเหมือนกันอ่า อิทัยยิปยตากับปัจจัยาการนี่มีนัยยะคล้ายกันแต่ว่าปัจจัยาการนั้นอธิบายให้เห็นว่ามันเป็นโครงสร้างของการต่อเป็นลูกโซ่กันไปเลยส่วนอิอทัปปยายตานั้นอธิบายให้รู้ว่าเป็นตัวตัวเพราะสิ่งนี้นะมีก่อนสิ่งนี้จึงมีตามมาเรียกว่าชายชากว่าปัจจัยาการคําว่าปัจจัยาการคือเป็นปฏิกิริยาโซ่ของ อาการต่างๆ ต, ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปเลยเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปต่องไปพอมันขยายก่อนมันชาลงเรื่มมันให้มันละเอียดขึ้นเป็ น, ปนอิทธปัจเจตาเออสิ่งนี้นะมีก่อนแล้วค่อยมีสิงมมส่งนี้มันไม่เพรามีสิ่งนี้มันจึงมีสิ่งนี้ถ้าไม่มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้นะมีสิ่งนี้แล้วมันก็ไปเป็นสิ่งนี้มีสิ่งนีไ้ไปเป็นสิ่งนี้อีกไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นอิทธปัจเ ย, ยตา ซึ่งไม่ใช่อย่างหนึ่งอย่างเดียวมันมีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่อย่างหนึ่งอย่างเดียวโผล่ขึ้นมาให้รู้อ่าซึ่งมันมาจากไหนก็ไม่รู้โผล่เพวอขึ้นมาไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยลึกลับมีอย่างเดียวโผล่ขึ้นมาไม่ใช่ที่จะมีอย่างนี้สิ่งนี้หรืสิ่งนี้หรือว่ามีปัจจัยการต่อกันมีอะไรใดต่อเนื่องกันมาอันนี้ไม่ใช่อันนี้โผล่เพวอขึ้นมาอันนี้แหละสภาพที่อาตมากาลังอธิบายว่า พุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแบบนี้ไม่ใช่ศาสนาในระมิดไม่ใช่ศาสนาลึกลับไม่ใช่ศาสนาโผเพล่กที่มารู้ไม่ใช่ทุกอย่างมาแต่เหตุสารีบุตรนี่ได้ฟังพร ะ, ะอัจฉริบอกว่าอาจารย์เราได้สอนว่าทุกอย่างมาแต่เหตุถ้าดับเหตุเสียได้ทุกอย่างดับหมดเท่านั้นแหละภาษารีบุตรพู้มีภูมิธรรมสูงแล้วฟังเท่านี้ก็โอ้โหเท่ากับ ไข่เลยว่าเปิดโลกเลยโอโหบอกสำคัญเลยอย่างนี้เป็นต้ น, นต้องมีเหตุมีที่มาที่ไปพเพราะงั้นจ้าจะบอกว่าไอ้อย่างเดียวโผล่พวกึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่เลยของพุทธไม่ใช่ามาจากไหนก็ไม่รู้ลึกลับไม่มีเหตุที่มาที่ไปเหมือนแม็กกิเชียนนักเล่นกลแสดงให้ดูเหมือนกับนักปลุกผีหรือว่า ผู้พิเศษแสดงเก่งเนรมิตปุ๊บก็ได้ปับ๊บมาจากไหนไปยังไงมายังไงก็ไม่รู้นั่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยและอีกอย่างหรือว่ามิใช่รู้จากการขบคิดนี่อีกอย่างหนึง่งมิใช่จากการครบคิดแค่ผลของการขบคิดเนาะของการขบการคิดจากเหตุจากผลจนกระทั่งรู้จแจ้งแทงทะลุรู้แจ้งได้เพราะคบคิด ที่เรียกว่ารู้ด้วยตักกะอยู่แค่นั้นก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันพอเพลา ะ, ละมาก็ไม่ใช่เนรมิตขึ้นมาไม่ใช่หรือเป็นผลของการคิดคบคิดกันหึงเ้ปัญญาโอ้ซาโตริรู้แล้วสายมหายานเขาโอ้หลงพวกนี้เยอะ แต่ต้องรู้ที่ไปที่มามีเหตุมีปัจจัยสืบเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่มีสันตติมีสันตติภาษาศัพท์ทางวิชาการาเป็นความเชื่อมต่อสันตติจะไม่ขาดนั่นคือมีความสืบตอมีความต่อเนื่องสันตตินี่แปลว่าความสืบต่อหรือความสืบเนื่องมิใช่ไม่มีสันตติ ไม่ใช่รู้ลึกลับแต่รู้แจ้งเห็นจริงครบเหตุปัจจัยรู้กิริยาอาการของจิตใจรู้กิริยาอาการของจิตใจนะในขณะที่มีสิ่งสัมผัสกันอยู่หลักๆเลยและมีความสืบต่อกันอยู่นั่นแหละการสืบเนื่องยังไม่ขาดทันทีนั้นก็เห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นทีเดียว มีการสืบเนื่องต่ อ, อ ย, ยืงไม่ขาดเลยก็เห็นอยู่หลักๆเลยเห็นสภาพนั้นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวภาษาบาลีวิชานัตโตปัสโตวิหรติวิปัสสนาก็คือยานต้องรู้ต้องเห็นอย่างนี้ทเรียกว่าวิปัสสนาานหรือที่ปัสสนาเนี่ยต้องมียานยานที่รู้ต้องรู้อย่างนี้อะยุวิปัสสนาถึงเรียกวิปัสสนารู้อย่างมีเหตุมีผลใ จ, จต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยและเป็นปัจจุบัน ประเด็นหลักคือเห็นมีต่อเนื่องมีสัมผัสกันไปกันมาบัตรประเด็นสําคัญอีกก็คือเห็นหลักะปัจจุบันไม่ใช่ไปนั่งหลับตานึกคิดเอาอันอย่นั้นยังไม่จริงของแห้งอันนี้ของสดะอะอาจจะมาย้า ม, มามากๆแล้วอันนี้เห็นจิตใจตนเองในบัตรนั้นว่าเป็นผีเป็นเทวดา เห็นว่านี้เป็นผีเป็นแต่ว่าไม่มีรูปร่างสีสัตนตัวต้นใดๆแต่เห็นอาการของมันเห็นอาการของนามมาทําให้นักการของจิตเนี่ยมีเครื่องหมายให้รู้ได้เในว่านิมิตนิมิตเห็นอาการเห็นนิเห็นนิมิตอาการลิงคัตนิมิตอุเทศอุเทศคือคําอธิบายที่อาตมาพูดยอยู่นี่นะเห็นอาการของมันมีเครื่องหมายให้รู้ได้ว่าจิตใจเช่นนี้เช่นนี้จิตใจนะจิตใจเช่นนี้เช่นนี้ที่เป็นผี หรือเป็นเทวดาไม่มีสีสันรูปร่างตัวตนเส้นแสงอะไรเลยไม่มีสรีระใดๆ ไ, ไม่มีอัตตาใดๆแต่เห็นด้วยอาการลิงคณิมิตุเทศมันมีทั้งความรู้สึกเรียกว่าเวทนามีทั้งการกำหนดรู้เกวสัญญามีทั้งความมีจุดมุ่งหมายเยกวเจตนามีทั้งการสัมผัสอยู่เรียกว่าผัสสะ ทั้งการทําใจในใจมณสิการผู้ที่ศึกษานี่กําลังทําใจตัวเองนะทําอย่างนี้แล้วก็เราก็เห็นใจตัวเองนี่นี่เขาแบประพฤติกําลังปฏิบัติกําลังทําใจในใจกําลังมณสิการกําลังมณสิกโรติกากลังทําใจจะมีอยู่มดผัสสะก็มีอยู่ด้วยเจตนาก็มีมีความมุ่งหมายที่จะรู้สิ่งนี้แล้วก็จะทําการบําบัดหรือกําลังจะทําปฏิบัติทำอย่างจริงจริงเลยอ่า ทั้งการทำใจในใจเป็นการปรุงแต่งกันอยู่เรียกว่าสังขารหรือจัดแจงสังขารมนการจัดแจงหรือการกำลังปรุงแต่งกำลังทำกันอยู่มันคือจิตใจคนแท้ๆเลย <c oughs> เรื่องนี้นมันเปนมันเป็นเรื่องของจิตใจของคนแท้ๆเลยที่เป็นผีเป็นเทวดาใครเป็นคนบ้างย่อมเมื่อ เออมีผีอยู่ในคนนี่แหละมีเทวดาอยู่ในคนนี่แหละอยู่ในใจนี่เรานี่แหละมันเป็นของคนแท้ๆอยู่ในใจเราเดียวนี่เล ย, เยที่เป็นผีเป็นเทวดาอันภาว่าจริงๆมันมีเนี่ยอยู่ที่ใจตั้งอยู่ที่หัตถีรูปทีเดียวผีเทวดานี่อยู่ตรงนั้นน่ะตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะ อยู่ตรงไหนเอ่ยเคยเห็นไหมเออแล้วรูไ้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ที่หัทไทเยรูปมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอัทไทเยรูปคืออะไรหทไทเยรูปคือรูปในโมนเดลอุ ป, ปาทายรูปด้วยนะคัทไทเยรูปนี่ไม่ใช่อยู่ในอุ ป, ปาทายุูฟทสี่นะคัไทไยรูปนี่คือรูป รูปนะรูปนั้นจะถูกรู้เนี่ยรูปนะอุปาทัยรูปอคือสิ่งที่ถูกรูอ้อาจจะมาแปลมากมากแล้วรูปนี้คือสิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นจิตใจหรือจิตวิญญาณสิ่งที่ถูกรู้นี่เป็นจิตใจหรือจิตวิญญาณขณะนี้กําลังมีภาวะปรุงแต่งกันอยู่มันปรุงแต่งกันอยู่โดยมีอกุโสลจิตมีอกุโสลจิตึกิเลตเนี่ยร่วมปรุงแต่งด้วยมันปรุง ในจิตนี่มันปรุงแต่งกันอยู่แล้วมันมีตัวผีตัวนี้มีตัวการใหญ่ตัวเนี้ยตัวกิเลสอกุสสจิตเพราะว่ากิเลสมันยังไม่ตายกิเลสมันยังมีอยู่ในจิตใจของเรามันยังไม่ตายหรือมีอคุสสจิตแล้วจึงไม่มีหรือไม่มีนะหรือไม่มีถ้ามันมันไม่มีแล้วนะถ้ามันมีมันก็คือผีคือเอปอดคืออะไรมาหรือไม่มีอกุสสจิตแล้วจึงไม่มีกิเลสร่วมปรุงแต่งเราจะดูจะรู้จิตของเรา จิตเราขณะนี้มันมีอกษษษษุิสเจริมีกิเลสปรุงแต่งอยูอ่หรือมันมีปรุงแต่งอยู่ถ้ามันไม่มีกิเลสปรุงแต่งกิเลสมันก็ตายเพราะกิเลสมันตายลงบ้างหรือตายสิ้นอาสวะเกลี้ยงแล้วจริงมันตายลงบ้างเราก็จะรู้ของเจริญมันยังตายไม่หมดมันยังตายบ้างตอนนี้มันตายหมดสิน้นอาสวะเลยสิ้นเลยคุณก็จะรู้เราจะเห็นการตายการเกิด จะเห็นการตายการเกิดพวกนี้อยู่ในใจเราหลัดหลัดอยู่จริงๆเลยจะเห็นจริงๆเลยผู้ที่มีญาณปัญญาปฏิบัติแล้วไม่งมงายไม่ลึกลับมีที่มาที่ไปมีสภาวะให้รู้ได้มันตายตึงพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวเราของเราแต่คนยังโง่อวิชามจะมีมีอัตตามีตัวตนมีรูปร่างด้วยหลงผิดก็มีรูปมีร่างด้วยเพราะคนยังมีรูปมีร่างของ จิตพวกนี้ก็คือยังไม่เข้าใจเนสมาธิหนึ่งเข้าใจแล้วพกคุณยังไม่ก็เห็นรูปร่างแต่จะอ่านสภาวะทำของอาการลิงคะนิมิตคือเห็นนา ม, มาร่วงด้วยอาการด้วยนิมิตเครื่องหมายฟังฟังอุเทศไปแล้วไปปฏิบัติจะเห็นเองเลยเห็นหลัดหลัดทำให้ตายก็เห็นการตายทีนี้การเกิดดับของรูปและนามที่แท้จริงอลอง ตั้งใจฝังการเกิดดับของรูปครของนามที่แท้จริงเช่นอกุศสรจิตหรือกิเลสของเรานะอกุโสรจิตหรือกิเลส ข, ของเรานี่ซึ่งก็คือผีผีแท้ๆกิเลสเนี่ยหรืออกุโสรจิตนี่คือผีแท้ๆของตนเองตายลงสมบูรณ์มาปฏิบัติได้แล้วนะทำให้กิเลสเรือว่าให้ผีหรืออคุโสรจิตเนี่ยทําักท จัดการมันตายลงได้เราทำมันตายแล้วเห็นมันตายลงได้จิตเราก็จุติพอกิเลสตัวนี้ตายผีตัวนี <to> ้ตายจิตเราก็จุติหรือจิตเราก็เลื่อนขึ้นไปจุตินี่คือเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงก็ได้นะจุติลงจากสวรรค์ลงนรกก็ได้นะจุติเนี่ยนี่จิติเลื่อนขึ้นไปสะสมไปภาษาบาลีว่าปุอุปัจจยะ อุปจยะเนี่ยมันตรงออกันข้ามกับอปัจยะคือเป็นการสะสมสะสมตัวเจริญอุปจะเป็นเป็นลักษณะรูปข้อที่หนึ่งในลักษณะรูปสี่อุปจยะเนี่ยคือความก่อตัวหรือว่าเติบโตขึ้นเป็นการเจริญเติบโตขึ้นสะสมความเจริญกระทั่งเกิดขึ้นค่อยๆเป็นอุ ป, จ ย, อปจยะเนี่ยอุปจยะหรือว่าทําให้มันตายลงไปกระทั่งมันเกิดขึ้นเป็นปฏิสนธิเกิดที่คือปฏิสนธิ เป็นกุศลจิตเกิดขึ้นปฏิสนธิเป็นกุศลจิตคือจิตใหม่เกิดขึ้นเป็นเทวดาแท้ๆเรียกว่าอุปัติเทพฟังดีๆนะนี่อัตมาขยายเป็นแถมเป็นหกร้อยหกร้อยเฟรมต่อวินาทีได้ไหมเนี่ยนะอธิบายช้า very very slowly เลยนะเนี่ยนะนะเป็นเทวดาแท้ๆเป็นอุปัติเทพและถ้าถึงที่สุดก็เป็นพรหม ปุบริเทพสูงขึ้นไปเป็นเทพสูงก็เป็นพรมเรียกว่าวิสุทธิเทพคือจิตบริสุทธ์ต้องเรียนรู้ความเป็นรูปธปรรมให้ดีๆนี่เรากำลังเห็นรูปธปรรมนะสับสนไหมกำลังเห็นรูปธปรรมนะจิตใจนี่เป็นรูปธปรรมนะตอนนี้สับสนไหมงงไหมไม่ขัดแย้งเหรอเป็นนา ม, มารู เป็นจิตใ จ, ใจในี้เป็นนามแต่ถูกรู้เรียกว่ารูปเป็นนามรูปโดยเฉพาะรูปที่เป็นรูปประกายโดยเฉพาะรูปที่เป็นรูปประกายรูปประกายคืออะไรคือองค์ประชุมของภาวะนามและรูปประกอบกันให้เรารู้องค์ประชุมของภาวะนามและรูปประกอบกันให้เรารู้มันประกอบกันอูรูปและนาม คือมีตัวหนึ่งถูกรูตัวหนึ่งนามรู้อยู่เป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ไม่หนึ่งเดียวนะมีสองยังเสมอและรูปของนา ม, มกายเมื่อกี้นี้รูปกายคือองค์ประชุมของภาวะนามและรูปประกอบกันให้เรารู้ทีนี้รูปของนา ม, มกายคือองค์ประชุมของภาวะนามเท่านั้นภาวะนามไ ม, ไม่มีรูปประกอบกันให้เรารู้ นามหลายอย่างมันประกอบกันให้เรารู้จนสามารถรู้ความเป็นลักษณะทั้งอาการะและกิริยาท่าทางและวิการะคือการเปลี่ยนแปลงไปในภาวะของรูปภาวะนี้มันเปลี่ยนแปลงไปของรูปคือของสิ่งที่เรารู้สิ่งที่ถูกรู้เราก็รู้สิ่งที่ถูกรู้นั้นของรูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ ซึ่งต้องเข้าใจดีๆชัดๆให้ครบให้ครบรูปต้องให้ครบเพราะรูปนีกว้างรูปที่แปดนี่กว้างทั้งมหาภูตรูปสี่อุปาทายรูปอีกยี่สิบสี่แต่ขอหวงเล็บไว้สำคัญเลยว่ามหาภูตรูปนั้นคือวัตถุภายนอกส่วนอุปาทายรูปนั้น จะว่านอกก็ยังไม่เชิงเพราะตาหจูจมกูกลิ้นกายเรานี่คือที่จริงมันก็อยู่กับตัวเราจะว่าในามันก็ในจะว่านอกมันก็นอกแต่ว่านอกมันก็คือตาหจูจมกูกลิ้นกายแล้วมันจะกระทบนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสข้งนอกเป็นโคจรรูปจากภาษาทรูปผ้า ก, กับโคจรรูปผ้านี้จากนั้นไปเลยตั้งแต่ภาวะรูปสองไล่ลงไปหาอภัตไตรรูปหนึ่ง ชีวตรูปหนึ่งอาหารรูปหนึ่งปริเฉ ท, ทรูปหนึ่งวิญญัตรูปอีกสองวิการรูปอีกห้าลัคณะรูปอีก ส, สี่สิ่งเหล่านี้จะเป็นนามธรรมาเป็นส่วนใหญ่หรือเกือบหมดรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ซึ่งต้องเข้าใจดีๆชัดๆให้ครบ สิ่งหรือภาวะที่ถูกรู้ด้วยวิญญาณด้วยธาตรู้วิญญาณคือธาตรู้สิ่งหรือภาวะที่ถูกรู้ด้วยวิญญาณหรือด้วยธาตรู้นั้นน่ะไม่ว่าจะรู้จากการสัมผัสของวาวรทั้งห้าสัมผัจากทวานรทั้งห้าภายนอกหรือแม้แต่รู้จากการสัมผัสอยู่ในใจภายในก็เรียกว่ารูปทั้งนั้นอ่า สิ่งหรือภาวะที่ถูกรู้ด้วยวิน ญ, ญาณรู้ได้ถธาตรู้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นสัมผัสวานห้าข้างนอกหรือจะสัมผัสสัมพันธ์สัมผันสผนี้มันก็คือข้างนอกถ้าสัมพันธ์ก็อยู่ข้างในมันสัมพันธ์กันอยู่ในใจใจในใจภายในก็เรียกว่ารูปทั้งนั้นถูกรู้ได้อันทีนี้ขยายความรูปคืออะไร ไม้เอาแค่ไหนอ่าฟังให้จดทัดนะรูปคืออะไรไม้เอาแค่ไหน น, นี่หน้าอะไรนี่นรรนไปรอข้างหน้าแล้วไหนนี่รอตรงไหนอีกนี่กําลังจะเดินอนาหยิบกระเปมันรอที่ไหนเนี่ยโอ้โอ รูปคืออะไรหมายเอาแค่ไหนนะรูปไม่ใช่หมายถึงแค่ภาพฟังดีๆนะรูปไม่ใช่หมายถึงแค่ภาพในภาษาไทยนะไม่ใช่แค่ภาพในภาษาไทยหรือแค่รูปที่คนไทยเข้าใจคนไทยนี่มันซวยหน่อยอ่าอ่า รูปไม่ใช่หมายถึงแค่ภาพในภาษาไทยหรือแค่รูปที่คนไทยเข้าใจอันเกิดจากตากระทบสัมผัสสิ่งภายนอกเท่านั้นคําว่ารูปไม่ใช่หมายอยู่แค่นั้นไม่ใช่หมายเอาแค่ภาพเอาแค่รูปภาษาไทยเราเรียกว่าภาพก็รูปทั่วไปมันคืออะไรก็คือเรานึกออกแล้วภาพรูปคืออะไรก็นึกออกภาพนึกออกภาษาไทยเข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นในภาษาวิชาการในภาษาธรรมานั้นรูป ไม่ได้หมายเอาแค่นี้คนส่วนมากไปติดอยู่แค่ภาษาคาว่ารูปที่คนไทยกำหนดสำหรับการรู้ได้จากทวารตาแล้วก็ใช้คาว่ารูปใช้ทวารตากระทบแล้วก็เรียกว่ารูปเรียกว่าภาพคนไทยจูอยู่แค่นี้ความรู้อยู่แค่นี้เนี่ยมันซวยตรงเนี้ยอัตมาอธิบายธรรมะพระพุทธเจ้าพิสดารให้มันครบธรรมะของท่านไม่ได้ เพราะว่าไปติตยึดตรงนี้แหละถ้าการรู้จากทวารอื่ น, นกระทบตกตดคอกไก่ถ้าจากทวารอื่นกระทบสัมผัสถ้ารู้จากทวารอื่นกระทบสัมผัสก็ไปเรียกอย่างอื่ น, นเพราะว่าคนไทยไปเป็นอย่างงั้นถ้าตากระทบเรื่องวารู พอจากทวารการรู้จากทวารอื่นกระทบสมัมผัสก็ไปเรียกอย่างอื่นเช่นการรู้ที่หูกระทบสมัมผัสเสียงก็แล้วก็ใช้ว่ายินยินหูกระทบเสียงไม่เรียกรูปนะหูกระทบสมัมผัสกลิ่นแล้วก็ใช้คําว่าก ล, ลิ่นได้กลิ่นการรู้ทีนะ่ลิ้นกระทบสัมผัสรสแล้วก็ใช้คําว่ารส ได้รู้รสได้รู้กลิ่นได้ได้ไ ด, ได้ได้ยินเสียงไม่เรียกว่ารู้ความซับซ้อนที่คนไทยเข้าใจยากอีกภาวะหนึ่งนอกจากอันนั้นแล้วก็คือการรู้ทิศตาหูจมูกลิน้นสี่อย่างนี่นะอะไรอย่างตาหูจมูกนะตาหูจมูกลิน้นสี่อย่างนะมันมีคำว่ากายนะตาหูจมูกลิน้นเนี่ยกระทบสัมผัสเ ป, เป็นองค์ประชุมร่วมกัน ตาหูจมูกลิ้นกายเ อ, อไม่มีกายตาหูจมูกลิ้นสี่นี้กระทบสัมผัสร่วมกันอย่างนี้เรียกว่ากายที่อย่างนี้รวมกันให้เรียกว่ากายแล้วใช้คําว่ากายสัมผัสหรือว่าสัมผัสเฉยๆภาษาบาลีว่าโพธพภะกายเยนะโพธพังภูติจิตวาเนี่ยองค์ปฐุมงการเรียกว่าโาพธะภะภูติจิตวามีผัสตสัพโพธพภะ ซึ่งอาจจะเป็นองค์ประชุมแค่สองทวารเท่านั้นร่วมสัปัสกันอยู่ก็ได้หรือสามทวารเท่านั้นรวมสัปปะกันอยู่ก็ได้หรือรวมทั้งสี่ทวารประชุมกันหมดเลยก็เรียกว่ากายคือเรียกว่าองค์ประชุมทั้งนั้นเลยซอนนะตาหูจมูกลิ้นถ้ามันประชุมร่วมกันจากภาวะสัมผัสเกิดตาเกิดหูมันร่วมกันตากับหูคุณก็ได้ยินได้เสียงผูก อย่างคุณดูหนังนี่ได้ยินพร้อมกันเลยทั้งเสียงทั้งตาทั้งหูใช่ไอะไรเงี้ยสองก็ได้สามก็ได้สี่ก็ได้อันมันประชุมกันตั้งแต่สองไปถึงสี่เนี่ยเรียกมันว่ากายฟังดีๆวันนี้ขยายห0ร้อยเฟรมให้ละเอียดไปเลยนะเรียกว่าองค์ประชุมต้งนั้นส่วนคำว่ารูปคือสิ่งที่ถูกรู้ ไม่ใช่องค์ประชุมคำว่ารูปคือสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่คือองไม่ใช่คือองค์ประชุมภาวะที่มีการกระทบกันสัมผัสกันอยู่ตาสัมผัสสิ่งภายนอกใช้คำเรียกว่ารูปไม่ใช้คำว่ากาย <c oughs> ฟังอีกเดี๋ยวระสับสนภาวะที่มีการกระทบกัน กระทบกันสนัมผัสกันอยู่ตาสัมผัสสิ่งภายนอกตาไปสัมผัสสิ่งภายนอกนี่สัมผัสฟักข้าวตาสัมผัสภายนอกอยู่กับภายนอกเรียกว่ารูปรูปนี่รูปรูปรูปรูปรูปรูปลีกีมีน้ำรูปไม่เรียกว่ากายตากระทบรูปเท่านั้นไม่เรียกว่ากาย วันนี้ขยาย600เฟรมนะนี่เรียกว่ากายกระทบรูปนี่ยังยังไม่นัานับขมหานใจเรียกว่าอันนี้รูปยังไม่เรียกแม้คําว่ารูปกายนะเรียกว่ารูปเฉยๆรูปะรูปังรูปรูปะรูปังไม่ได้เรียกว่ารูปกายยังรูปกายมันยังไม่เรียกอย่างนี้เป็นต้นฟพงดีๆขยาย600เฟรม หูกระทบสิ่งภายนอกก็เรียกว่ารูปหูกระทบสิ่งภายนอกก็เรียกว่ารูปหมายถึงสิ่งที่ถูรู้ทางสวาณหูก็ไม่ใช่คาว่ากายเหมือนกันกระรูปเรียกว่ารูปหูกระทบเสียงเสียงที่มันยังไม่ได้ออกเข้ามาข้างในก็เรียกมันว่ารูปไม่เรียกว่ากาย มันมีอยู่เดียวของมันข้างนอกเลยกว่ารูปจะหมูกริ้นกายแต่ลัฐบาลกระทบสิ่งภายนอกล้วนต้องใช้คําว่ารูปแต่คนไทยขาดตกความรู้นี่ไปคนไทยขาดตกความรู้นี้ไปแยกคําว่ารูปเฉพาะรูปนี่ไม่ออกเขาบอกว่ากายงงไปเข้าใจคําว่ากายนี่เป็นรูป พยายามอีกก่อนตอนนี้คําว่ากายขาดนามไม่ได้คําว่ารูปนั้นรูปเฉยๆไม่มีน้ำได้มันจะมาซ้ําอีกแหมมันมีอย่างเดียวไว้เอาอย่างเดียวก็ได้สองสองอันกันแล้วกันฟักข้าเอ๋ยกระทบกันนะเองรู้ไหมว่ามันมันมันมีอะไรเนี่ยรู้ไหมมันมันกระทบเองกําลังกระทบกันนะเจ็บไหม ปวดหมมีนานะปวดไห ม, ม, นะไหมเจ็บไหมมันมีแต่รูปมันไม่มีนามมันไม่รู้มันอนุปาทินากาสังขารนี่ขนาดมันเป็นพีชานิยามแล้วนะยิ่งเอาเหล็กเอาโลหะเอาไม้เอาไร่เอาดินเอาน้าไฟลงไปกระทบกระแทกกันมันบ่หูไลยอ่ต้องใส่ภาษาต่างด้าวผสมนิดหน่อย มันไม่รู้นาะมันไม่รู้เรื่องอะไรของมันนะมันมีแต่รูปมันไม่มีนามบางวันนี่หกร้อยเฟรมขยายจะจะัดจัดรูปนามไม่ได้ใช่กันจะรู้เรื่องนามเรื่องรูปกันงได้ง่ายๆและเรียกว่ากายไม่ได้นี่แหละการเกิดการกระทบสัมผัสสัมพันธ์อะไรสังเคราะห์กันอยู่อย่างไรนี่โอ้โหนี่มีทองเหลืองทองแดงอะไรผสมกันต่าง ๆ, ๆมันไม่เรื่องอะไรหรอก เรียกมันว่ากายไม่ได้เรียกมันว่ารูปอันเนี้ยถ้าเรียกว่ากายมอะไรอีกย้ำซ้ำไปซ้ำมาต้องมีนามร่วมด้วยเสมอแม้เป็นรูปประกายยิ่งนามประกายเลยไม่ต้องพูดถึงเลยมันมีนามแน่แม้คำว่ารูปประกายก็ต้องมีนามร่วมด้วยถ้าจะพออรูปก็เรียบรูปปะรูปปังไม่เรียรูปประกาย เอาให้ชัดๆจะมูงลิ้นกายแต่ละตะวันกระทบสิ่งภายนอกล้วนต้องใช้คำว่าเรียกว่ารูปแต่คนไทยนขาดตกความรู้นี้ไปแม้จะมีแ ม, แม้ใจแม้ใจนะที่มีสัมพันธ์กันอยู่ทีนี้ใจในะใจสัมพันธ์กันอยู่เฉพาะใจภายในใจก็กำหนดรู้ได้กำหนดรู้กันได้ใจมันกำหนดรู้กันเองได้เป็นสัญญากำหนดรู้ การรูชนี้ก็ยังเรียกว่ารูปคือนามมรูปไงนี่ยากแล้วตอนนี้นามมรูปเนี่ยคือตัวนามข้างในมันสัมพันธ์กันอยู่โดยมันไม่ต้องสัมผัสเพราะมันอยู่ด้วยกันมันจะจะเอ๋ะเอไรเมื่อไหร่มันก็อยู่ด้วยกันนามมานายะตนะกฐามายะตนะมันจะกำหนดรู้กันขึ้นมาเมื่อไหร่มีอายตนะถ้าไม่กบกหนดรู้ มันก็อยู่กันอย่างไม่มีมันก็อยู่เป็นธรรมะมันก็อยู่เป็นจิตเป็นธรรมะอันเดียวกันนิ่งๆหนึ่งๆเลย น, <ะ S 1> นามรูปจึงหมายถึงนามมาธรรมที่ถูกรู้นามรูปจึงหมายนามเรื่องหมายถึงนามธรรมที่ถูกรู้โดยวิญญาณรู้โดยวิญญาณที่วิญญาณสามารถสัมผัสหรือสัมพันอยู่ก็กาหนดรู้ สัญญากำหนดรู้ได้มันเป็นสึกฝึกสัญญาตัวเกิดสัญญาสัญญาเป็นกัวฝึกงานส่วนเวทนาหรือสันผานมันเป็นตัวเกิดสัญญามันเป็นเรียนรู้กันเป็นตัวสัญญารก็กําหนดรู้ได้กำหนดรู้ได้คือสัญญากําหนดรู้แม้จะหรือจะเพราใจในใจขั้นอะรูป ใจในใจขั้นอารูปคือไม่เกี่ยวกับไปอารูปไม่เกี่ยวกับไปนั่นคือจะเกิดสิ่งที่รูร้อารูปนีได้ด้วยสัญญารืยการกำหนดรู้ซึ่งเป็นองค์ประชุมชะเรียกว่านามกายมีเรื่องของรูปยังจะพูดกันอีกเยอะ เนี่ยในรูปไมเ้เอาแค่นเอาแค่นี้ก่อนนี่ขยายความลำลองนี่เป็นหนังสือเล่มใหม่นะนรู้คนขังสุกรู้คุกขังสัตว์เนี่ยเนี่ยกำลังกำลังเขียนอยู่ไว้อ่านอันนี้เพิ่งขึ้นต้นยังจะขยายออกไปอีกเยอะนะอ่ะต่อมาปริเฉทะเป็นรูปอันหนึ่งที่เราทวนมาแล้ว ปริเชธาเนี่ยเป็นรูปในข้อที่เท่าไหร่ข้อที่เจ็ดในลักษณะของอุปาทายรูปนะอุปาทายรูปเป็นข้อที่เจ็ดแล้วนะปริเชทรูปนี่ปริเชธาคือการตัดรอบขอบเขตไปเป็นลาดับนเป็นลาดับลาดับลำดั บ, ด บ, ดบนะเพราะงั้น เราจะต้องเรียนรูปทั้งหลายแม้ปริเฉทรูปจึงต้องเรียนรู้ความเป็นรูปกายองค์ประชุมของรูปรูปกายองค์ประชุมองค์ประชุมของภาวะนามรูปกายนัรูปกายคำว่ารูปนี่มันทั้งรูปทั้งนามบอกแล้วว่ากายจะต้องมีนามอยู่ด้วยเสมอความเป็นรูปประกายเป็นองค์ประชุมของภาวะนามและรูปประกอบกันให้เรารู้ และนามปรกายคือองค์ประชุมของภาวะนามรูปประกายนี่เป็นองค์ประชุมของภาวะรูปกับนามประกอบกันและนามกับรูปประกอบกันให้เรารู้ส่วนนามมระกายคือองค์ประชุมของภาวะนามนามมันประชุมกันให้เรารู้ให้เข้าใจนะเราจะต้องรู้นามมระกายหรือรูปประกายให้เข้าใจถึงภาวะที่เป็นปริเชทะ ให้รู้ว่าปริเทะาในของรูปกายและนามกายต้องรู้ปริเชทะของรูปกายและนามกายต้องเรียนรู้อันนี้ให้ได้ปริเชธาหรือภาษาบาลีเต็มๆท่านเขียนว่าปริเชปริเชทะเนี่ยปริเชธามันมีจอจานสะกดด้วยถ้าเป็นบาลีพอมาเป็นไทยเมื่อเลยตัดตัวจอจานทิ้งเป็นปริเชธาถ้าบาลีเต็มๆก็เป็นปริเช ปริเชตาบาลีไม่เรียกเชตหรอก เ, เรียกเชตาพอทอทหารเขไม่ไสั ก, กัดจอจานเขาสั ก, กัดปริเฉทะแปลว่าการตัดรอบขอบเขตการกําหนดทิศเที่ยงแท้แน่นอนการกําจัดวงการวางแบบแผนเนีมาคัดออกมาจากพจนานุกรมหลายเล่มเลือกออกมาที่เหมาะที่จะเข้าใจกันได้ง่าย เอามาพรสมควรมันได้แปลเองเขาแปลมาแล้วแต่การตัดรอบขอบเขตนี้อัตมาแปลเป็นสำนวนของอัตมาการตัดรอบขอบเขตเป็นสำนวนของอัตมาส่วนสำนวนที่บอกว่าการกาหนดที่เที่ยงแท้แน่นอนก็ดีการจำกัดวงก็ดีการวางแบบแผนก็ดีออกมาจากโภจนานุกรมของที่เขาแปลไว้นะเชตาแปลว่าการตัด การบั่การตัดเชตะปริไปว่ารอบการตัดตัดไว้กรอบหนึ่งรอบนี้ขอบนี้เขตนี้อัตมาเลยแปลเปล็นภาษาไทยว่าการตัดรอบขอบเขตตอนนี้ก็จะแปลว่าการจํากัดวงหรือการวางแบบแผนก็ได้ปริเชตะรูปก็คือรูปที่ได้รับการตัดรอบขอบเขตหรือ สิ่งที่ถูกรู้ที่ได้รับการกําหนดที่เที่ยงแท้แน่นอนไปตามลําดับคุณจะทํากําหนดขอบเขตอันนี้ไว้แล้วคกูก็ทําให้สําเร็จสําเร็จแล้วเสร็จกูก็กำจัดขอบเขตมันใหม่แล้วก็ทําอีกทําเสร็จแล้วมันขอบเขตปฏิเชต่านี้มันจะเล็กลงเล็กลงไปอีกคุณก็ทําอีกว่าจะกําจัดขอบเขตไปตามลําดับตามลําดับตามลําดับเลยนะแล้ว เทียงแท้แน่นอนตามที่เขาแปลนะไปการกําหนดที่เที่ยงแท้แน่นอนเอาตํานี้ก็เอาตํานี้นะตำนี้นะอย่าไปรุ่มร่ำบุบบุกเฟุ่มเฟือ ม, ม, มากมายเดี๋ยวคุณเละถือสีหน้าเอาขอบแค่ของสีหน้านะถือสีแปดอย่าเพิ่งไปถึงสีสิบนะเอาแค่สีแปดนะถือสีสิบก็เอาสีสิบอะไรี้เป็นต้นตัดกรอบแล้วก็ทําให้ได้ ท่านก็จะเจอธรรที่คุณตรงเลขรงเลยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปต่ามันก็จะนาตรงลดลงจนที่รู้ในภายในขั้นปริเทื่งที่สุดรูปที่ช่องว่างหรือแสงสว่างเนี่ยไม่ได้แปลเองแต่านุกมใช้กันอยู่ในที่ใช้กันเกิดภาวะได้อากาศสัตว์อากาศแจ้งปริเชตรูปนี้นี้รู้จังภาวะได้นั้นในในเราปฏิเจรรู้เต็มของความขออัมภัย ใน อ, อันนำสกุลหุนเข้าเลยล่ะบงังบังคอนเซปต์ปกติเนี่ยเรียกเนี่ยตั้งแต่องคุริทคิ์ปัจจุบันนั้นเต็มรูปเป็นตั้งแต่การรับรู้ตั้งมีรอบขอบเขตหรือว่าการนอนแล้วบรรจํากับเสพเนี่ยและถึงถึงที่สิ่งจริงเป็นมันมายทางทางหนังสือหรือก็คือเอา น, นี้บรรจุอยู่คอนเทนต์รับานบอกกันใจอันนี้เร็วที่ X ของมโนขัขง หรือกรอกกันอยู่กรอบไปกันอยู่เรียกว่าอออเออเคาะผู้ปฏิบัติก็เสียลงแต่รูปท่าประชันหวงตับเอาตามอย่างในหลวงจะบอกพู้อะไรล่ ะ, ะ <Okay. S 1> ไปขัดทุนอ่าขออไปภาษาอืา่นจากภาษาไทยเพราะมันเกินกันเลยนี่อธิบายภาวะรู้คือเล่มนี้จะเอานี้อย่างจะได้รู้ภาวะรู้ให้รู้ความความแตกต่างความดับรูปเกิดความหมักรูป รู้ความดับจ ะ, จะรู้เกิดความดับนักบวต้องรู้รู้ทุกทุกทุกเกิดกิจเกิดอะไรจิตใดเกิ ด, ไ, ด, กดไม่เป็นม่เข้าไม่วกแวปรโผล่มาเลย ม, มันมีเหตุใจจะรู้จริงความต่างๆได้แต่ว่าของยืนยันความโดยเฉพาะข อ, องรูสอสองเพศหรือลิงคะกอปุตตาที่อยู่ในภาวะไอทั้งปวงน่ามันอยู่ในองค์ประชุมกายอยู่ในภาวะ กายทั้งปวงรูปนามหรือเพศเนี่ยจะอยู่ในกายทั้งปวงว่าไยังมีีหรืออิทธัทรอ่าสภาวะอิทินี่คือภาวะของมิตหรือเอเนจีซึ่งยังสะกดเอหรือสะกดอีกันเนี่ยอ e ีเออีนะนี่ผิดคลาดเคล็ดอ่าคลาดเคล็ดอ่าอี น, e นื้อที่เห็นใ น, นี้อันนี้นี่นที่พัดเทอันนี้มันอ e ีอัตมาไม่เก่งจริงๆ <c oughs> มันไปเอาเอตามดนามิกนะดนามิกหรือคลาดติกเอเนอร์จีซึ่งยังไม่ถึงที่สุดแห่งสมมุติอิทธิเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดแห่งสมมุติจะเรียกว่าอัตถานธีอิทธิของตาของอิทธิเรียกว่าพลังงานอะไรของผู้เขามันเป็นนาฏิเพศอิทธิอ่ะคือ อยู่ในขั้นที่ถึงที่สุดแห่งทิพยคือสิ่งที่ปรากฏให้รู้อยู่ในขั้นที่ยังไม่ถึงที่แห่งสมมุติภาวะที่ยังไม่เป็นเอกบุคคลหรือเอกบุรุษนี่เป็นภาษาทางการนะคนหรือเอกบุญประเส ร, ริฐหรือเอกบุคคลนี่แปลยังไม่ถึงภาวะที่ภาวะยังถึงภาวะบุคคเมื่อใดถึงขั้นสมบูรณ์สุดแห่งภาวะเป็นปุริศินีหรือเป็นสเตติก หรือว่าเป็นโพเทนเชียนเอานี่ก็ตกโพเอนตกทีโพเทนเชียนน่ะ s t a t i c หรือโพเทนเชียนนะโพเทนเชียน energy นะซึ่งถึงที่สุดแห่งสมมุติทีนี้เมื่อกี้ไม่ถึงตอนนี้ถึงที่สุดแห่งสมมุติวงเด็บอัตตะอัตตะนี่คือสมมติสมมติที่สัจจาหรือสมมุติที่ทำเนี่ย คืออัตตาหรืออัตตาตามสมบูรณ์นี้ก็สมบูรณ์ไปได้เป็นระดับด้วยแต่ละรอบแต่ละขั้นแต่ละกันโสดาสมบูรณ์เป็นขั้นหนึง่งสกิทาสมบูรณ์อีกขั้นหนึ่งอนาคาสมบูรณ์อีกขั้นหนึง่งผู้บรรลุเอกก บ, บุรุษหรือเอกเอกกบุคคลหรือเอกกบุรุษคือผู้ที่สําเร็จด้วยยอดของแต่ละลําดับภาวะที่สําเร็จถึงยอดของแต่ละลําดับในความเป็นอุตตริมนุนสัมแห่ง มนุษย์ภาวะที่สำเร็จถึงยอดของแต่ละลำดับในความเป็นอุตริมนุสธรรมแห่งมนุษย์ซึ่งมีการตายของอกุศลจิตอย่างรู้เห็นมีการตายของอกุศลจิตอย่างรู้เห็นเห็นว่าจิตของเราจุดติเข้าสู่การเกิดของกุศลจิต ด้วยความสามารถปฏิบัติที่บรรลุธรรมนั้นจริงด้วยวิชาแปดหรือยานสิบหกมีวิชาแปดหรือมีมีมยานสิบหกรู้รู้ว่านี่การเกิดของกุศลจิตจิตของเรานี่มันจุติและจุตติจากไอ้ที่มันมันทิ้งมาอากุศลทิ้งอกุศลจิตมามาเกิดเป็นกุศลจิตเห็นการเกิดดับ นั่นเห็นอย่างนี้นี่คือการเห็นการเกิดดับไม่ใช่เป็นเรื่องแมกจิกไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องเห็นการเกิดดับหรือไม่ใช่เห็นอะไรก็ไม่รู้ที่เกิดดับคลุมเ ค, ค, ครือดาวเอาหรือไปเห็นแค่ภาวะวัตถุของมหาภูตรูปเท่านั้นตายเกิดไปเห็นแต่มหาภูตรูปตายเกิดไม่ใช่นี่เป็นนามธรรมาเห็นอาการของกุศลจิตอกุศลจิต เห็นอกุศลจิตตายไปต่อหน้าต่อตาปฏิบัติมาตายก็ค่อยตายหรือตายอย่างเห็นเห็นมันหลัดๆเลยว่ามันตายต่อหน้าต่อตานิยานเห็นเลยต่อเนื่องเห็นเลยเป็นอิทธิปัจเจยตามันเป็นตัวเหตุดับเหตุดับสมุทัยในการเห็นการเห็นการเกิดการดับนั้นเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นอย่างไม่รู้ที่เกิดดับ คลุมคลุมเคลือเคลือดาวเอาเดือไปเห็นแค่ภาวะของวัตถุของมหาโพธ ร, รูปเท่านั้นที่ตายเกิดไม่ใช่แต่เป็นการตายของจิตเจตสิกและการเกิดของจิตเจตสิกโดยการสัมผัสรู้อยู่หลัดลัดทนโทษกันจริงเรียกเต็มอีกทีว่าเห็นรูปนามเกิดดับก็นี้แหละเห็นรูปนามเกิดดับก็นี้แหละอย่างนี้แหละ วิญญาณที่เรียกว่าอกุศลจิตตายแล้วกุศลจิตก็เกิดคือเห็นการเกิดการดับของจิตใจเห็นอกุศลจิตตายลงและเห็นกุศลจิตเกิดใหม่ชัดชัดต้องต้องเห็นการเกิดดับมจากเห็นการดับไปอีกไปอีกหน้านึงแล้วเห็นการดับ คือเห็นภาวะนิโรธดับเนี่ยคือเห็นพอมันดับต่อหน้าต่าตาอ้าวเห็นนิโรธนิโรธของเราไม่มืดนะนิโรธของเรามีจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างนะเห็นการดับคือเห็นภาวะนิโรธคือเกลียดดับอคุรศรจิจนั่นเองเกลียดดับเห็นการเกิดคือเห็นภาวะอภินิพัติการเกิดนี่คืออภินิพัติการเกิดธาตชาติชาติ อกตินิพพติอันนี้อภินิพพติเป็นการเกิดเฉพาะเกิดจาเพาะขั้นสูงอภินิพพติเป็นการเกิดขั้นที่ห้าของชาติชาติสัญชาติโอกันตินิพพติที่พระพุทธเจ้าท่านแจกวิพังเอาไว้ในปฏิจจสมุปบาทที่เดินตามตาราเลยเอามาอธิบายเห็นภาวะการเกิดคือเห็นภาวะอภินิพพติ เมื่อมีการสัมผัส ด, ด้วยเหตุกับปัจจัยของรูปและนามจึงสามารถรู้ได้ในตนของตนอกุสรจิตเป็นรูปที่ถูกรู้ยานคือนามที่อย่างรู้นามเป็นตัวอย่างรู้อกุศรจิตคือรูปที่ถูกรู้มันเป็นนามนะอกุสรจิตเป็นานามมาทาเป็นานามมารูปนะภาวะดังกล่าวชนีแลปรากฏอยู่ตรงไหน ภาวะที่มันเป็นสภาวะของอกุศลจิตเนี่ยแล้วก็ยานอย่างรู้แล้วก็กำลังทำกจัดมันอยู่ตรงไหนปรากฏอยู่ตรงไหนที่ยานสามารถอย่างรู้ณนะตรงนั้นได้ก็ตรงนั้นแหละคือที่ตั้งของใจเรียกด้วยภาษาวิชาการว่าฮัทไทยอยรูหร้อยเฟรมลยนะต่อวินาที ซึ่งหมายถึงนามารูปที่ถูกเห็นด้วยยานนามารูปที่ถูกเห็นด้วยยานเรียกด้วยศัพทิจการว่านามรูป ป, ปริเช ท, ทยานต่อหัตถยรูปหัตถยรูปที่แท้จริงเป็นปรมัตธรรมไม่มีสรีระ นีอ่อาตมาเห็นขางก็เขาเรียนกันจริงๆเรียนในอภิธรรมกันเนี่ยเรียนว่าฮทไทยรูปนี่ก็คือหน่วยหัวใจเนี่ยแล้วบอกด้วยว่ามีสี่ห้องอยู่ในช่องนั้นช่องนี้ช่องที่สี่ไม่รู้นับตอนไหนไปไหนหน้าด้านสี่นั่อาตมาก็ไม่รู้เท <c oughs> ่าที่อาตมาผันผ่านจำไม่แม่นเท่าไหรถ่ถูกไปถูกไม่รู้ก็กอ า, ายถ้าผิด ทั้งๆที่มันเป็นนามมาทําแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นรูปฮัทไทยารูปก็เป็นรูปเป็นนามนี่คือมันสับสนคำว่ารูปนามเห็นไหมมันเป็นนามมารูปที่ถูกรู้จริงแต่มันไม่ใช่รูปที่เป็นลิ่นน้ําไฟลมมีสถานที่มีชิ้นมีอันมีอะไรไม่ใช่เอาฟังดูหัทไยรูปมันคืออะไรกันแน่หัทไยรูปนี้ไม่ใช่สภาวะของมหาภูทธรูปแล้วละเอียดยิ่งกว่าแสงยิ่งกว่าอากาศ อ่าอาถรยรูปนี่ละเอียดยิ่งกว่าแสงยิ่งกว่าอากาศเป็นอุปาทายรูปในรูปยีิบสี่เนี่ยหาถรยรูปมันเป็นข้อที่สี่อ่าจากภาษาทรูปโกจรรูปภาวะรูปแล้วก็หาถรยรูปเป็นข้อที่สของอุปาทายรูปยีิบสี่เป็นอุปาทายรูปเป็นปรมัตธรรมเป็นปรมัตธรรมนะเป็นจิตเจตสิกลวงนิพพานนะ ที่ได้แก่จิตเจตสิกแม้จะเรียกว่ารูปก็เป็นนามกายแม้จะเรียกว่ารูปก็าตามก็เป็นนามกายหรือเรียกว่านามรูปเพรมัถูกรู้ก็เรียกว่านามรูปเป็นองค์ประชุมก็เรียกว่านามกายเช่นอุปาทายรูปยี่บสี่เป็นต้นเนี่ยอุปาทายรูปยีบสี่เนี่ยเป็นนามกายได้นะฮัทไทฮัทไทไม่มีรูปอย่าง ฮัทไทไม่มีรูปหยาบที่ประกอบด้วยเส้นแสงสีเสียงแท่งก้อนไม่ใช่วัตถุรูปหรือเลือดเนื้อแต่อย่างใดแล้วไม่ใช่แล้วหัทไทไม่ใช่แสงแสงแสงสีเสียงแท่งก้อนไม่ใช่วัตถุรูปหรือเลือดเนื้อแต่อย่างใดแล้วเป็นแค่นามธรรมจร ng, ิงๆหัทไทไม่ใช่เนื้อหนังมังสาไม่ใช่ก้อนหัวใจที่เป็นเลือดเป็นเนื้อแต่เป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นในบัดใด นั่นก็คือหัตถยรูปที่ผู้มีวิปัสสนาญาณสามารถสัมผัสเห็นได้ในบัดนั้นนามธรรมที่เกิดขึ้นในบัดใดนั่นก็คือหัตยรูปที่ผู้มีวิปัสสนาญาณสามารถสัมผัสเห็นได้ในบัดนั้นหัตถยรูปเคยได้ยินสอนกันมาว่าหมายถึงหัวใจที่เป็นเส้นเลือดก้อนมีเนื้อหนังมังสา มีเนื้อหนังเอาตกหนัง น, นี่มันต้องมีคาว่านังหน่อยมันถึงจะคล้องจองดีหน่อย เ, อเป็นเส้นเลือดก้อนเนื้อหนังบังสาของคนอยู่ในอกข้างซ้ายถ้าไปหมายถึงอันนั้นนั่นผิดแน่เพราะนั่นยังไม่ใช่ปรมัตถธรรมที่ปลอดพ้นจากการเป็นมหาภุธรูป หากไมายเอาปรมัติธรรมก็คือนามธรรมที่ปลอดพ้นไปจากความเป็นภาวะของมหาภูตรูปสีซึ่งไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างสีสันเส้นแสงแท่งก้อนเอาสลับกันเสียแทงก้อนก้อนแท่งนี่ที่จริงเขียนมาสดๆเนะี่ยเขียนไปจินงข้าวไปเสร็จแล้วก็ปินออกมาเนี่ยล่าสุดมาถ่ายกันเย็นๆเมื่อกี้นี้นี่เราบอก ความรับเบื้องล้างทายธรรมหลังใหม่เรื่องร้างกายทายธรรมซึ่งไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างสีสันเส้นแสงแท่งก่อนแต่เป็นจิตวิ ญ, ญญาณที่ต้องเกิดจากผัสสะต้องศึกษาจากผัสสะแล้วจึงจะเป็นเหตุให้มีวิญ ญ, ญาณมีผัสสะแล้วจึงเป็นเหตุให้มีวิญ ญ, ญาณขึ้นมาศึกษาทุกจะต้องมีเหตุมีปัจจัยามีผัสสะกันขึ้นมาตากระทบรูป ก็มีวิญญาณเกิดพรรษาสามและก็จะศึกษาทุกขกำจัดเหตุแห่งทุกขได้สำเร็จตามที่บรมปรรมศาสดาตรัสไปในปฏิบิยกเล่มสิบหกข้อร้อยหกสิบเอ็ดเป็นต้นเปิดดูไหมอาตมาติดมาแจ่งเลยเราก็จะรปต่อคนส16หกถือมาข้อร้อยหกสบเอ็ดนะอ่านดูก็ได้เป็นไรมีเรามีของดีๆยังไม่อ่าน ร้อยหกสบเอดว่าไงอ้างอิงอ้างอิงว่าอ่านที่อ้างอิงดูร้อยหกสิบเอ็ดพระรภาคประทับอยู่ณเชตวันอารามของท่านอนาถบินตะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีจุดๆๆๆละไว้ท่านก็จะว่ากันไปยาวทักทายฟาใสยนั่งนะั่งจีวรส่วนข้างหนึ่งอะไรก็ต่างว่กไป พระูุมีอุาคได้ตัดว่าดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายเราจะแสดงเหตุเกิดแห่งทุกข์เราจะแสดงเหตุเกิดแห่งทุกข์และความดับแห่งทุกข์ท่านทั้งหลายจงฟังจงทำไว้ในใจให้ดีเราจะ ก, กล่าวพิสุ่านั้นทูลรับพระปุมีอยปาคว่าพระพุทธเจ้าข้าก็คือขอรับกับผมนั่นแหละแต่แต่ตัพท์ การราชาศัพท์ต้องใช้พระพุทธเจ้าข่าวพระภูมิวภาคได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าดูกราพิสุทธ์ทั้งหลายก็ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นไหนเพราะอาศัยจักสุและรูปที่จริงมันควรจะข้อร้อยหกสิบสองเนาะมันไม่ควรจะข้อร้อยหกสิบเอดข้อร้อสิบ็ดมันเกินเฉยๆแต่ถ้าอ่านไปต่อๆไปก็ได้ ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นไนเพราะอาศัยจักสุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณความประชุมีมคือกายะแหละความประชุมแห่งธรรมสามประการเป็นผัจสามอย่างเป็นผัจจคือตากับรูปแล้วก็เป็นจักขุวิญญาณก็เป็นปัจจะเรียกว่าปัจจัเพราะผัจจเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา เพราะฉะนั้นมันัสะมันมีผัสสะสามนี่จึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยที่นี่อิทัปัจยตาแล้วพอเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาภิกษุทั้งหลายนี้แลความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ในสังกัดมาไล่เพราะอาศัยหูและเสียงเพราะอาศัยจมูกและกลิน่นเพราะอาศัยลิ้นและรสเพราะอาศัยกายและโผฏฐะเพราะอาศัยใจและธรรมะ จึงเกิดมโนวิญญาณความประชุมแห่งธรรมธรรมทั้งสประการเป็นปัสสะเพราะปัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตนาเพราะภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นความเกิดที่ขึ้นแห่งทุกข์และท่านก็อธิบายถึงความดับข้อหาที่สามก็ความดับแห่งทุกข์เป็นช่นไหนเพราะอาศัยจักรสุและรูปจึงเกิดจากกุวิญญาณต้องมีตาและรูปและกุบิญญาณประชุมแห่งธรรมสประการเป็นปัสสะ เพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั่นเทียวเพราะตัณหานั่นเทียวดับโดยสำรอกดอกดับสำรอกด้วยสำรอกไม่ใช่โดยดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลืออุปทานจึงดับเพราะดับตัณหาอุปทานดับเออตลกไหมไม่ต้องไปดับอุปทานเลยใช่ทมาอธิบายอธิบายอุปทานตัวเดียวกัน ตัวนึงมันเป็นเคนติกเอนท์รจีตัวนึงเป็นโพเทชชั่นเอนท์รจีหรือตัวนึงเป็นไดนามิกตัวนึงเป็นสแตติกนะเพราะฉั้นดับตัวตันหาอุปทานก็ดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับนี่ไปต่อเลยพรพบดับชาติจึงดับเพราะชาตดับชรามรนาโศกาปริเทวัทุกัโทมรณาอุปายาศาส์จึงดับเพราะดับความดับแห่งกองทุกขังมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นะ น, นี่อ่านอิงก็อ่านซะให้มันชัดๆอัตมาอธิบายสบายๆอธิบายไปเรื่อยๆไปเรื่อยเพราะอัตมาจะอยู่ร5อยหสบเอ็ดปีเขาอธิบายไปเรื่อยๆเพราะงั้นฟังดีๆของดีๆเนี่นะเดี๋ยวสักวันหนึ่งค ง, งถึงแปดร้อยเฟรมต่อฟินาทีตอนนี้หกรอยแล้วนะ <c oughs> ทีนี้การเกิดดับที่จริงอันนี้ไม่ต้อง 162ห16 16 16เป็นต้นไปเป็นต้นไปก็แล้วกันเนาะไม่ต้องไป61นั่นแหละเป็นต้นไปต่อมาการเกิดดับของจิตวิญญาณเห็นได้ตรงไหนละเอียดหรอคืออันนี้เนี่ยอาตมาว่าเป็นการบรรยายพิธรรม ท, ที่ที่ลึกนะ อาตมาเองไม่เก่งไม่ได้อ่านตำร า, าพระอภิธรรมรถเทไหลไม่รู้ก็อธิบายกันยังไงบ้างแต่อาตมาก็ไม่มีปัญหาหรอกท่านอธิบายของท่านอธิบายไปอาตมาอธิบายของอาตมาอธิบายไปส่วนใครจะสนใจอะไรจะศึกษาไหนก็เลือกเอาใครเห็นอะไรเป็นธรรมวาทีก็เห็นอะไรเป็นอธรรมวาทีก็อย่าเอาการเกิดดับของจิตวิญญาณเห็นได้ตรงไหนซึ่งจิตวิญญาณที่เกิดจากผัสสะ จะวิญญาณที่เกิดจากภาษานี้เมื่อหมดภาษาก็ดับจะวิญญาณนี่เพเกิดจากภาษาเมื่อหมดภาษาก็ดับแล้ววิญญาณก็มีแต่จมอยู่ในสัญญาเพราะฉะนั้นวิญญาณนี่มันก็จะจมอยู่ในสัญญาแล้วมันหมดภาษาแล้วมันดับนะไม่มีวิญญาณวิญญาณมีไหมมีแต่จมอยู่ในสัญญาอยู่ในสัญญามันไม่มีการเกิดเป็นวิญญาณล่องลอย ฟองให้ดีนะตอนนี้จะชัดเจนขึ้นอีกสัญญามันไม่อยู่ในสัญญามันไม่มีการเกิดเป็นวิญญาณล่องลอยออกมาจากจิตของตนแล้วมันจมอยู่ในสัญญาอยู่ในความจำก็ได้มันจมอยู่ในนั้นแล้ววิญญาณมันก็เกิดก็ดับอยู่แต่ภายในจิตตนเท่านั้นมันก็เป็นอนุสัยมันก็เป็นอาสวะแตกตัวจากตัวจะดับยังไงของมันก็อยู่ในตัวมันแล้มันแตกตัวมันตัวยิ้มอย่างยตมาวัาเรียกว่าอาสวะเนี่ย มันก็นอนเนื่องนอนนิ่งนอนไม่รู้มันจะนอนดิน่นดินหรือเปล่าไม่รู้มันนะมันก็ต้องนอนดิน่นอะไรมันอสระนมันดิน่นเบาดิน่นแรงอะไรก็ตามใจวิญญาณมันก็เกิดก็ดับอยู่แต่ภายในจิตตนเท่านั้นคนทั่วไปที่ยังไม่สมาธิจะหลงผิดว่าวิญญาณล่องลอยออกไปจากร่างอ่าทุกคนนอนหลับนี่ก็อย่างนี้ยิ่งคนตายแล้วยิ่งเสร็จเลยจมอยู่ในนั้นจมอยู่ในสัญญานั่นแหละ ฟังให้ดีนะตาไม่ดีนะทีนี้คนไม่สมาธิถี่จะหลงผิดว่าวิญญาณล่องลอยออกไปจากร่างไปไหนตอนไหนพบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นอกตนอย่าว่าจะออกจากร่างเลยต่อให้ตายไปแล้วจิตวิ ญ, ญญาณของตนทุกคนก็ไม่สามารถล่องลอยออกจากร่างไม่ออกจากจิตไม่ออกจากจิตของตนไปได้ไม่ใช่ออกจากร่างอาจจะออกจากร่าง ทุกคนก็ไม่สามารถล่อง้อยออกจากจิตของตนไปได้มันจะจมอยู่ในจิตนั่นแหละมันจะจมอยู่ในสัญญาของตนเท่านั้นคนตายไปแล้วก็จะจมอยู่ในสัญญาเท่านั้นเป็นอรูปอัตตาเป็นอรูปอัตตาจะมีมโนยะมยะอัตตาคือรูปที่สำเร็จ ด, ด้วยสัญญาเท่านั้นอรูปอัตตาเนี่ยรู้ได้สำเร็จได้ด้วยสัญญา ด้วยสัญญาท่านนั้นไม่มีวิญญาณร่องรอยออกไปไหนเห็นยังว่าวิญญาณไม่ร่องรอยจะเกิดต่อเมื่อมีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายพระพุทธเจ้าถึงสอนตรงนีน้เหมือนอย่างที่พิสุสาติลงผิดวิชาทิฏฐิแล้วถูกพระพุทธเจ้าทรงบริภาอษางอิงเอาไว้พตัตตพิโลกเล่มสิบสองข้อสี่ร้อยสี่สิบเป็นต้นไปยาวอันนี้ยาวไม่เอามาอ่านไม่ได้เอามาด้วยเล่มสิบสองพิสุสาติเคยพูดถึงมาแล้ว เขาเจะวิญญาณตายแล้วร่องรอยไปเห็นโน่นเห็นนี่เป็นโนมินไปเห็นกันใหญ่เลยไม่มีจมอยู่ในสัญญ า, าเอาละเหลือสามนาทีให้ท่านสรุปวันนี้ใจดีนะให้สามนาทีครั บ, บปกติเลิกสองทุมอ้าวใช่สองทุกว่าเนี่ให้สามนาทีไอ ใ, ใจดีวันนี้ก็ ไ, ไม่เอาไม่เอาต่ อ, ตอได้นะ ก็แล้วแต่พ่อครูครับเอาเอาเอาเดินคุณสรุปเอาไว้แค่นี้ก่อนวันนี้เราได้ฟังเรื่องอภิธรรมที่ลึกนะตั้งแต่การเกิดดับของนามรูปรูปรูปกับกายใช่ไหมพ่อครูอธิบายอะรูปกับกายก็แยกกันนะยิบนฟักข้าวเนี่ยใช่ไหมเอามาลงทุนมากเลยนะอุปกรณ์การสอนเนี่ยโอแต่มารู้สึกเป็นครูที่แบบเอามากระแทกกระแทกกัน คือเป็นครูที่แบบเอาให้เห็นเลยว่ า, ารู้สึกไงรู้สึกไงรู้สึกไงนะนะคือรูปถ้าถ้ากายเป็นความมันต้องมีนามด้วยนะแต่ถ้ารูปเนี่ยมันก็ไม่มีนามประกอบนะอันนี้ก็อธิบายไว้นะอีกอย่างหนึ่งที่แต่บารรู้สึกว่าเออปริเฉปริเททะนะคือขอบเขตในการปฏิบัติธรรมนะขอบเขตเราเราจะต้องตั้งขอบเขตมันตั้งสีลห้าสีบแปดหรือเราตั้งตะบะธรรมในกรนเขา้าภรษานะมีปริเฉษ มีขอบเขตเอาไว้ว่าเท่าไหร่บางคนตั้งถึงสิบอย่างโอ้มีขอบเขตอันกว้างไกลนะนะนะบางคนก็มีขอบเขตแคบๆนะของจะมาเอาขอบเขตเล็กๆไว้นะเพื่อจะให้มันทําได้จริงอะไรนะั่นนะคือถ้าเราทําได้มันก็มีปิติมีอะไรอิม่มเอมใจที่เราสามารถที่จะทําได้อะนะในจิตใจของเราอ่ะนะถ้าเราทําไม่ได้เราก็ฝึกต่อไปอ่ะนะให้มันมากยิงกย่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ การการเกิดการตาย่และนะต า, นตายนะตายเนี่วันนี้ก็ชัดเจนนะตายวันนี้คือไม่ไปไหนอยู่กับสัญญาโอ้โหแสดงว่าไอ้ความจำที่จำไว้เนี่ยทุกแบบไหนก็ไปแบบนั้นแหละทรมานแบบไหนก็ไปไนะโทรศาบแบบไหนการาคะแบบไหนอะไรก็ไปแบบไหนก็ไปงั้นเ มันน่ากลัวกันนะแล้วมันมันไอที่ไอที่แย่คือมันระบาดคุกเลยครับมันมืดดําแคบมันระบายไม่ได้ด้วยอ่าระบายก็ไม่ออกไม่มีลมไม่มีอากาศไม่ได้เลยไม่มีแสงไม่สีไม่มีอะไรถ้ามีร่างกายนี่มันก็ยิงตกไปในแบล็คโคลสครับถ้ามีร่างกายก็มันยังแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องไปเรื่องนู่นได้เออแต่ว่าถ้าเกิดจมในสัญญานี่มันเปลี่ยนไม่ได้เลยครับใช่ถ้าไม่มีภูมิถึงมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันจะจมอย่างเงี้ยเหมือนเราทุกอ่ะ ทุกอะไรกร็จมอยู่กนนะแล้วมัน อ, ออกยากด้วยขนาดเป็นๆ น, นี่นะครับจะ อ, ออกยากเลยชนี่ตายไปแล้วเนี่ยผมว่ามันยิ่งไม่มีเรื่องเลยปากก็ขยับไ ม, ไม่มีปากขยับไม่มีหูฟังไม่มีเรื่องเปลี่ยนนะ่ะมันก็อยู่เรื่องเดียวไม่มอะไรได้เปลี่ยนไอเดียบทอะไรเลยมันทรมานมากเลยครับเพราะฉะนั้นไปทําวิบากใครไปทําวิบากขนาดไหนก็คงจะแบบสนุกดีนะสนุกของคุณ น, นะด็ครับ <c oughs> องสนุกสนุกแต่ทุกข์สนับอันนี้ก็บอกสนุกแต่ทุกข์สนับนะอันเนี้ยเราจะเห็นได้เลยว่าเอออันนี้เป็นหลักฐานยืนยันเลยว่าวิญญาณไม่ล่องรอยนะไม่ล่องลอยไปไหนจมอยู่กับสัญญาอะไรนะเนี่ยต่อครูวันนี้ก็อธิบายช้าๆละเอียดละเอียดละเอียดนะไปเรื่อยๆนะแต่ว่าก็เป็นบุญของเราที่ท่านนะได้เสียสละนะทั้งคือชีวิตคนเรานาะ จะกินยังมีเรื่องต้องทํางานเลยคิดดูนะไอเรานี่กินอย่างเดียวเราก็จับกิเลสไม่ค่อยทันแล้วใช่มหมในพ่อครูเนี่ยทั้งทํางานไปด้วยกินไปด้วยหูก็ฟังด้วยตาก็ดูด้วยทวารทุกทวาร น, นี่จะใช้ทั้งหมดเลยนะดีไม่ดีก็ออกกำลังกายมากเลยนะคือเพือเพศอธิยาบททุกอย่างเนี่ยใช้ประโยชน์หมดทุกอย่างนะซึ่งธรรมะว่าก็เป็นอะไรที่คนที่มันแสดงแสดงให้เห็นเลยว่าคนที่บรรลุธรรมคนที่สังสมบา ร, รมีเนี่ย จะทำอะไรได้พิสดารแล้วก็เพื่อเสรีภาพเพื่อผู้อื่นได้มากขึ้นนั้นเช่าเราเนี่ยที่จะมีกิจการทํางานได้มากขึ้นเสรีภาพได้มากขึ้นทําความดีได้มากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องลดกิเลสเราจนหมดกิเลสให้ได้แล้ก็บําเพื่เป็นโพลิสัตตามพ่อครูไปนะพ่อครูเป็นปรินิพานไปแล้วตอนนั้นก็ตัวใครตัวมันใช่ไหมจะมีบุญบารมีมากขึ้นนะใครอยากได้แบบไหนก็ทําแบบนั้นไปก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับ และก็อนุโมทนาทุกคนที่ตั้งใจฟังเพื่อตั้งใจฟังเพื่อการบรรลุธรรมณที่นี้และต่อต่อไปเจริญธรรมทุกคน